เอเคพรอมแล้วก็เริ่มได้เลยนะอันนี้ครับที่คุณนันทพัฒน์ก่อนคุณนันพัน์เจ้าค่ะอ๋อลูกคนแรกเลยเหรอเจ้าค่ะวันนี้เลยส่งปัจจัยมาทําบุญใช่ไหมใช่เจ้าค่ะพระอาจนะค่ะสาธุค่ะเชิญเลยค่ะเบื้องต้นกราบขอเข้ามาพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์มีประพาวะธรรมอันหนึ่งคือ มีความคิดไม่ดีและความคิดเร็วๆในการสงสัยพระอาจารย์มาสอบสามถึงสี่ครั้งแต่ลูกก็มาพอมันขึ้นมาลูกก็หยุดมันได้นะเจ้าฟ้าพระอาจารย์แต่มันขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยก็เลยมองว่ามันน่าจะไม่ไม่ไม่ไม่โอเคแล้วก็เลยใช้ปัญญาพิจารณาแล้วมันก็หยุดได้ถาวรนะคะพระอาจารย์ก็ก็ก็โอเคใช่เรองของพนี้มันก็มันก็สงสัยได้ไม่ไม่ไม่เป็นสิ่งที่เสียหายเท่าไหร่สงสัยก็ดีมันจะได้การความงมงายได้ มำทีเชื่อแบบสุดๆที่ก็จจะงมงายได้ก็มีความสงสัยก็จะได้อระวังแล้วก็จะได้อทดสอบดูไปก่อนระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนไม่ได้เสีหยหายตรงไหนหรอกั้รที่เราสงสัยอะไรในใครมันไม่บาปใช่ไหมเจ้าของวัดวถ้าเราไม่เอาไปไปประชา์ โดยโที่เราไม่รู้ความจริงถ้าเราสงสัยแล้วเราไปประจานนี่มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราสงสัยนี่มันก็ถือว่าเป็นการเป็นการไปใส่ร้ายคนอื่นอันนี้ก็ก็จะบาปถ้ามันไม่มันไม่เป็นความจริงเหมือนบิดเบือนใช่ไหมเจ้จารครับเหมือนคนที่ไปว่าพระพุทธเจ้าตั้งเขาท้องอยนี้อ๋ <laughs> อค่ะเข้าใจแล้วเจะ อย่างนี้เหมือนก็แต่ความสงสัยมันเป็นเรื่องปกติของคนทุกคนที่สามารถสงสัยได้เพียงแต่ว่าเราต้องเก็บมันไว้ในใจไปก่อนจกอนกว่าจะพิสูจน์ได้ท่านเจ้าบอกการลามาสูตรในการละมาสูตรมันอย่าให้เชื่อเพราะเขาเป็นอาจารย์เราอย่าไปเชื่อเพราะคนอื่นเขาล่ําเลยกันมาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปเชื่อเพราะ น่าจะเชื่ออะไรอย่างนี้ค่ะเจ้าบอกให้ไิสูนดูว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงก่อนแ้ายังไม่สามารถไม่พิสูจน์ได้ก็แขวนไม่ก่อนไม่ต้องเชื่อไม่ต้องปฏิเสธอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก่อนหน้านี้ที่ลูกกาบเรียนพระอาจารย์ว่ามีน้องคนหนึ่งที่ร่วม ง, งานด้วยเขาเขาไม่พอใจในลูกแล้วว่าลูกในรายกลุ่ม แล้วก็มีการหลังจากนั้นก็มีการว่าในรายส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ลูกก็ให้อภัยเขาไปใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์แต่ลูกมีเหตุการณ์อันนึงคือลูกได้เล่าให้บางคนที่ทํางานร่วมกับเขาและลูกเนี่ยฟังด้วยว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแต่ที่เล่าก็คือไม่มีอารมณ์นะคะแต่เป็นความจริงอย่างเงี้ยถือว่าลูกทําผิดไหมคะพระอาจารย์ถ้าเป็นความจริงมันไม่ผิดแต่มันจะเหมาะสมหรือไม่มันก็ต้องพิจารณาว่าควรพูดหรือไม่ควรทูด อ๋อเ oh, mm hmm. จ้าค่ะคือลูกลูกก็ตอนนั้นพูดไปก็เช็คไม่ได้ร้อยเปอร์เซนว่าเรามีไบแอสด้วยหรือเปล่าแต่ที่ที่เราพูดไปตอนนั้นเหมือนกับว่าให้เขารับทราบว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดเกิดขึ้นกรณีที่เขาแบบจะร่วมงานกับคนนี้อย่างนี้เจ้าค่านนะอ๋อ oh. อันนี้ก็ต้องแล้วแต่แล้วแต่ที่จะพิจารณาเขาเองมั่นว่าถึงไม้จะเป็นความจริงถ้าพูดไปแล้วมันอาจจะไป ทำไม้คนเดินเขาเสียหายเดือดร้อนเราเราเรากลับมาเดือดร้อนกับตัวเราในภายหลังก็ไม่พูดอาจจะดีกว่าเจ้าค่ะเพราะเพราะหลังจากนั้นลูกก็มานั่งคิดว่าไม่พูดเลยดีกว่าเจ้าค่ะค่ะนี่ไว้เฉยไว้ดีกว่าไม่ใช่เรื่องของเราใครอยากจะรู้อะไรง่าก็ไปค้นหาของตัวเองดีกว่าเจ้าค่ะค่ะถ้างั้นก็ก็ความคิดสุดท้ายก็ถูกแล้วเจ้าค่ะว่าอืม จริงๆก็คือถ้าเราไม่ติดใจจริงๆเราต้องไม่พูดถึงเลยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เออก็ปล่อยมันผ่านไปไม่ใช่เรื่องของเราเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์เออถ้าเราถือศีลแปดแล้วพอดีมันมีเศษอาหารตกในปากเราตกลงไปในคอหลังจากเที่ยงอย่างนี้มันถือว่าบอกด่างพ้อยไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เออถ้ามันอยู่ในปากเราถือว่ามันถือว่าได้กินแล้ว มันจะอยู่ในข้างเป็นขี้ฟันแล้วมันหลุดลงไปในคอไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่ถือว่าผิดศีลแปดใช่ไหมจ๊ะไม่ผิดหรอกเราจะว่าลูกกังวลว่าดีมันมันมัเดินไม่ต้องเป็นอะไรเย็นยิบขนานั้นหรอกถ้ามันเข้าไปในปากเราก่อนเที่ยงก็ถือว่าไม่ไม่ผิดแล้วถ้ามันจะไปลงในคอหลังเที่ยงไม่เป็นไรหรอกจะทำว่าจือว่ามันอว่ามันอยู่ในร่างกายแล้วเรากินเข้าไปแล้วจบแล้ว ก็ค่ะป้าพิมใช่ไหมคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งลูกเคยเคยมีคนถามพระอาจารย์แต่ลูกขอถามเพื่อความมั่นใจอีกทีหนึ่ง้าค่ะพระโสดาบันที่ท่านรู้ว่าท่านบรรลุแล้วคือพระอาจารย์บอกว่าท่านจะเช็คได้เลยว่าท่านไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บแล้วโดยขาดจริงๆใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็มันรู้รู้อยู่กับใจนะมันจะว่าขาดก็ไม่ขาดมล่ค่ะรู้ว่าไม่กลัวตายรู้ไม่กลัวเจ็บ พอมันผ่านมาแล้วความเจ็บปวดขนาดไหนก็ผ่านมาแล้วความตายก็ความกลัวตายก็ผ่านมาแล้วอืกับเหตุการณ์จริงเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ได้จริงแต่ในความรู้สึกของเราเ่ยมันเป็นจริงค่ะแล้วโสดาบันยังฝันไหมเจ้าคะฝัน ได้ทุกคนถ้ารหันก็ฝันเป็นเรื่องสังขารกลางคิดปรุงแต่งไม่ระลับไม่มีสติคุมความสังขารความคิดปรุงแต่งมก็ฝันแต่ท่านยังท่านแต่ท่านส่วนใหญ่ท่านจะไม่ฝันได้นะไม่ฝันร้ายใช่ไหมเจ้าขาครับก็ไม่แน่จะมีวิบากเก่ายังหลงตกค้างอยู่อาจจะไม่ฝันได้ก็ได้อันนี้ อ๋อก็ฝันร้ายได้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะเพราะลูกเหมือนเคยได้ยินที่ไหนไม่รู้เขาบอกว่าพระสวดวันจะไม่ฝันร้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยลูกก็เลยไม่มั่นใจเลยกราบเรียนถามอาจารย์อันี้เราก็ดนดาวนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ตามข้างค้าพเนไปเพราะเราพูดตามหล่าว่ามันคนนอนเหล่ามันไม่มีสตินะมันก็ทีนี้ถ้ามันยังมีบุญเก่ากรรมบาปบาปหรือบุญค้างข้างอยู่มันก็จะส่ง เป็ตัวขัด ก, การให้ฝันไปในทางดีฝันฝันไม่ดีก็ได้ค่ะแล้วก็บางทีก็พลาดขันพิการอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ฝันได้ใช่ไหมจ้ะค่ะพันก็มีส่วนท้องปวดท้องอะไรไมางอย่างจะทําให้ฝันได้ค่ะร่างกายไม่สบายตรงไรนแต่ความฝันนี่มันไม่ได้เป็นสาระอะไรอมันบางบางคนเขาบอกว่าความฝันบางทีเป็นนิมิตมอ่าบอกบอก ล่วงหน้าอะไรเงี้ยก็ไ ม, ไม่ไม่เสมอไปใช่ไหมเจ้าพระพญาก็แล้วแต่ละคนบางคนมีมีทิศทางทางนี้มีวาสนาทางนี้ก็อาจจะรู้อะไรล่วงหน้าได้จากความฝันก็ได้อืมค่ะเคยมีบางคนเขาบอกว่าเขาเหมือนเคยเจอเหตุการณ์นี้เหมือนตอนที่เขาฝันอะไรเงี้ยค่ะมันก็<ต>เป็นเป็นไปได้เหมือนกันเนาะไม่ได้แต่ผุ้คนนั้นก็ต้องเป็นคนที่จะต้องวิเคราะห์ว่ามันมันแม่นหรือไม่แม่น ไม่ใช่ครั้งนี้แม่นแต่คราวหน้าจะไม่แม่นอะไรต้องเก็บสติเตดดูเหมือนทาํทาทำวิทยาศาสตร์ก็ทําอะไรเขก็ต้องเก็บสติเตดดูดก่อนว่ามันจะจริงทุกครั้งหรือไม่จริงเพียงบางครั้ ง, ง่วก็จะได้รู้สติเตดก็ค่ะค่ะของลูกหมดแล้วก็ขาด้านเติมก็ค่ะผู้อาวุโสท่านกลับเรียนขอโอกาสกลับเรียนถามพู้อาวุโสว่า ท่านนั่งสมาธิแล้วฟังเพลงไปด้วยได้ไหมเจ้าคะท่านชอบฟังเพลงแล้วฟังได้แต่มันก็เป็ น, เ ป, นเป็นต่างกับการนั่งสมาธิการฟังเพลงเนี่ยจะได้ความสงบก็ไม่ไม่ลึกเท่ากับการนั่งสมาธิแต่ถ้าบางคนนี่ยังนั่งสมาธิเองไม่ได้ก็สชยการนั่งฟังเพลงเป็นการฝึกนั่งสมาธิไปก่อนในญาญโยนชอบมาฟังธรรมที่เราแสดงสดนี่ แล้วก็ให้เขานั่งเขาตามลำพังชั่วโมงเขานั่งไม่ได้แต่ถ้าเขานั่งความธรรมนี้เขานั่งได้เพราะมีมีมีธรรมะ ค, คอยหล่อเลี้ยงครับเขาไม่ให้เขาไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แต่ถ้าเขานั่งเองก็ไม่สามารถพุโทโธได้หชั่วโมงก็ดูลมได้หนชั่วโมงเหมือนลูกเลยเจ้าขาพระอาจารย์เพราะลูกกลาบเรียนพระอาจารย์ว่าลูกมีเวลาเมื่อเสาร์ที่ที่ผ่านมา แล้วทำสมาธเจ้าค่ะพระอาจารย์มันได้ไม่ถึงชั่วโมงเจ้าค่ะแต่อยู่กับพุทโธกับกับกับกับสติได้อยู่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็มีความสงบระดับหนึ่งแต่เวลาเวลาที่มันสงบลงไปเหมือนมันจะแข็งแข็งยังไงไม่ไม่แน่ใจก็เลยก็เลยได้เวลานิดหนึ่งก็เลยออกมาจากสมาธิเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะ ยังจําที่อาจารย์สอนว่าต้องรอให้มันอิ่มจริงๆค่อยออกแต่มันไม่ได้ถึงจุดนั้นก็เลยออกมาก่อนอย่างเงี้ยจะรย์ขามันยังเข้าไหมยังเข้าไม่ได้อืเข้าไม่ไ ด, ไได้ถ้าเข้าสมาที่ด้มันเหมือนเข้าไปคนละโลกเลยเหมือนกระโดดลงไปในน้ําหรือใต้น้ําบนผิวน้ํากับใต้น้ํามีความรู้สึกมายาตา น, นันอืออาจารย์ ก็ให้เหมือนที่อาจารย์บอกว่าให้ลองทําบ่อยๆแล้วก็เพิ่มเวลาไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามันสงดจริงๆแล้วมันจะรู้ว่าอ่อเนี่มันไม่เหมือนปกติอ่ะมันไม่เป็นปกติมันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากที่เรารู้สึกในขณะนี้ขณะที่เราไม่ได้นําขณะที่เรายังไม่เข้าสมาธิมันก็สมาธิเหมือนคนจากข้างนอกห้องข้างนอกที่ร้อนแล้วเข้าไปในห้องแอร์อนี้มันจะรู้สึกาแตกต่าง เียมันจะเย็นจะนิ่งจะสบายขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ใจถ้าอย่งางงั้นถ้าลูกเหมือนกับว่ายังพูดโทรเองไม่ได้ก็จริงๆลูกอะ่ะคือชอบฟังเทศก็ก็ได้ใช่ไหมเ จ, จ้าค่ะพระอาจารย์ได้ก็เป็นการฝุดเบื้องต้นก่อนแล้วพอจิตเรารู้สึกว่ามีมีมความสงบในระดับหนึ่งพอที่จะดูลมได้เราก็หยุดฟังเทศแล้วก็ดูลมไปต่อ ได้เจ้าค่ะแปล ว, ว่าอาศัยการฟังธรรมเป็นเครื่องกล่องใจให้เข้าสู่ความสงบในระดับที่พอที่จะทําให้เรามีสติ ท, ที่จะดูลมหายใจเองได้แล้วก็หยุดฟังเทป แ, แล้วก็เราก็ดูลมต่ออันนี้หมายความว่าถ้าเรามีเครื่องเครื่องเครื่องเปิดปิดเทปได้ฟังเทปได้แต่ถ้าเราไปฟังที่สดๆเราก็ต้องฟังมาไปให้มันจบค แต่แต่ถ้าลูกฟังเองคือถ้ามันมีความรู้สึกว่าเราเข้าความสงบได้แล้วให้มานั่งเลยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาก็เรานั่งสอนเลเดียว อ, อ๋อได้เจ้าค่ะแล้วก็ลูกก็มีสองอย่างเจ้าค่ะที่ดึงใจอยู่ได้คือมีสวดมนต์กับฟังเทศก็เอาแบบนี้ไปก่อนให้มันให้มันแน่นแน่นก่อนใจของใจก่อนแล้วปลุกสร้างสติขึ้นมาให้มี ส, มสติพอที่จะหยุดความคิดให้ได้ก่อนเจ้คาค่ะพระอาจากแล้วก็คุณป้า ท่านขอกลับมาที่คําถามคนณป้าอีกนิดหนึ่งเจ้าค่ะท่านบอกว่าท่านท่านชอบสวดมนต์สั้นๆไม่ชอบสวดมนต์ยาวถือว่าเป็นคนปกติไหมเจ้าค่ะอาจารย์กแสดงว่าท่านมีมีสติพอที่จะนั่งสมาธิต่อได้เลย<ม>ก็ไม่ต้องสวดอะไรก็ได้<ม>ออการสวดก็เหมือนกันเป็นการฟังธรรมเป็นการเสริมสร้างสติให้ให้มีขึ้นมาเพื่อที่จะได้เอาไปนั่งสมาธิต่ออ นี่จะไม่สวดเลยก็ได้สวดสร้างรือยาวก็ได้แล้วแต่ว่ามันถ้าจิตมันควบคุมไม่อยู่ก็สวดเงินใช้การสวดเงินไปควบคุมมันไว้ก่อนพอมันเริ่มมันพอมันเริ่มเริ่มนิ่งแล้วไม่คิดมากว่าเรามาดูลมต่อหรือพูด<อ>โธต่อไหมค่ะแล้วอย่างคุณป้าท่านเนี้ยท่านท่านชอบฟังเทพ ครูบาอาจารย์หลายๆองค์นี่เหมาะไหมเจ้าคะหรือว่าต้องฟังท่านเดียวให้ได้ลึกไปเลยหรื อ, อยังไงเจ้าคะพระอาจารย์อันนี้แล้วแต่อธยาศัยเนี่ยเบื้องต้นอาจจะอยากจะลองฟังอะไรรูปอยู่ก่อนแนละ้วเดี๋ยวพอไปเจอของรูปไหนที่ถูกใจก็อาจจะเอารูปนั้นเป็นหลักก็ได้อันนี้แล้วแต่ไม่ไม่ห้ามไม่ไม่ไม่ผิดไม่เสียหายตรงไหนแล้วฟังกับอาจารย์กี่ยรูปไปได้อ๋อเจ้าคะ่ะ แล้วอีกเรื่องสุดท้ายเลยเจ้าค่ะเ ร, เราสามารถดูข่าวสารบ้านเมืองได้ไหมเจ้าค่ะพอาจารย์ดูได้บ้างใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะตัดมากน้อยเพ่ไหมถ้าต้องการตัดน้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ดูไม่สนใจเรื่องผมทาบ้านาเรื่องทโลกเลยหมายถึงว่าถ้าจะแบบ ปฏิบัติเข้มข้นก็ไม่ต้องรับเลยก็ได้ใช่ไหมจังหวะใช่บางคนเขาเข้าไปเข้าอินทอร์สองวันสิบห้าวันนี้เขาไม่รับรู้เรื่องทางโลกเลยไม่ติดต่อกับใครปิดมือถือปิดอะไรทุกอย่างนี่เป็นพะสมัยที่เราไปอยู่ที่วัดปาม่านตาลนองตานั้นก็ไม่ให้มีสมัยนั้นไม่ให้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ให้ฟังวิทยุไม่ให้ติดต่อโทรศัพท์สมัยนั้นโทรศัพท์ไม่มีนะคือให้ให้ให้ปิดทวันทั้งห้า ไม่ให้ไปรับรู้เรื่องต่างๆทางตาหูจมูกนิ้วกายเคยที่จะได้ไมมารบปวดมาสร้างเป็นนิวร์สร้างความคลุ้งสร้างอะไรให้แก่กุศลใจได้จะได้ภาวนาได้ง่ายสงบได้ง่ายเจ้าขาเพราะว่าอย่างลูกอย่างเนี้ยเจ้าขาพระอาจารย์อย่างที่กับเรียนพระอาจารย์พอวันปฏิบัติแล้วมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่อยากรับข่าวสารเลยเจ้าขาพระอาจารย์อย่างเฟซบุ๊กเนี่ยลูกก็ไม่รับเพื่อนคนอื่นนะเจ้าขาลูกจะรับแค่ เพจที่เป็นธรร ม, มะอย่างเงี้ยเจ้าขาอาจารย์ค่ะแล้วก็ไลน์ก็ทำงานซาส่วนใหญ่แล้วก็เรื่องส่งให้เพื่อนก็จะเป็นเรื่องธรร ม, มะอย่างเงี้ยเจ้าขาอาจารย์เราเป็นก็าจจะไม่อยากจะส่งให้ใครเนี่ยถ้าเราเข้าปฏิบัติถ้าจิตมันเข้าสู่ความสงบได้แล้วมันจะไม่อยากจะยื่งกับใครอ่อ ม, มันอยากจะไปปีกเว้ยอยู่คนเดียว เพราตอนนี้ยังไปไม่ได้เจ้าค่ะเพราะหลายวัดยังไม่รับคนจากกรุงเทพไปเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ทําที่บ้านไปก็เหมือนกันที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าก็เจริญสติให้มากเพื่อที่จะให้เข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นได้เรื่อยใช่ไหมเจ้าแล้วก็ตัดการรับรู้ภายในให้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะได้เจ้าค่ะพระอาจารย์สําหรับวันนี้ลูกมีเท่านี้เจ้าค่ะให้ท่านอื่นเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุ กขอบพระคุณเจ้าค่ะอาจารย์ธงเทนายเชิญเป็นไงกูโโหูอยู่หรือเปล่าอยู่ค่ะกับพระอาจารย์ค่ ะ, คะวันนี้ไม่ไม่มีคำถามค่ะสวัสดี ม, มาถาสด้วยสวัสดีนะฮนอนฟังอยู่ครับอเลยดีอยู่ท่าไหนก็ได้ขอให้ได้ฟังแล้วกันขอให้ฟังดีดค่ะ <laughs> โอเคถ้าไม่มีอะไรก็ขอไปท่านต่อไปเลยคุณหมอหน้าทเชิญคุณหมอหน้าโทษครับเป็นอาจารย์ครับนะท<ม><อ>ี่อข้ามาวันนี้วันไม่มีครับก ว, วันนี้ก็มารายงานของก้าวหน้ากันปฏิบัติครับช่วงนี้ก็มีวางมากขึ้นครับลง attending ประจำหอผู้ป่วยแต่ว่ายังมีพวกงานเด่ น, นอื่นก็ยังเสร็จเช้าถึงดึกแต่ว่าก็พยายามเพิ่มภาวนามากขึ้นครับ ถ้าช่วงว่างสิบห้านาทีอะไรถ้ามี gap ระหว่างว่างก็จะพยายามนั่งมันจะได้เป็น speed bump ไม่จากถน น, นไหมเขามีที่กั้นมาให้รถมันวิ่งเร็วถ้ามีที่กั้นขีเท่าไหร่มันก็วิ่งมันก็วิ่งเหมือนก็วิ่งเร็วไม่น่นลดความเร็วลงมากขึ้นไเลยครับนะถ้าที่กั้นมันมีู่ห่างมันก็มันก็เพิ่มความเร็วได้ด้วยความคิดของเราเนี่ยเราต้อง หาเวลานั่งสักห่านาทีสินาทีได้ก็ยังดีครับอนะหยุดความคิดไว้ชั่วครังชั่วคราวยุชลอมาลงหน่อยรับมดีอย่างงดีกี่็ไปเหียบคันเร่งด้วยการไปอ่านหนังสือพ็มพ์หรือไปพิมพ์ ข, อข้อการบ้านการเมืองเนี่ยมันก็ยิ่งฟุ้งขึ้นมาอ่า๋อเพราะงั้นไม่ค่อยมีเวลาอย่างเี<笑><笑>้วก็ตอนหน้าพอดีมันต้องมีสอนอะไรเราจะทำไปวุ่นวายกันไปทำแต่สิ่งที่เราจำเป็นต้องทำาล้วกันคิดในเรื่องที่เราต้องคิด แล้วก็พยาพยามพยายามถ้าตอนกงคืนถ้ายัางไงก็พยายามนั่งให้เขาถึงเวลานั้นก็จัดนะครับแล้วไปนั่งให้ว่าถ้าไม<ป S>่ <ไป S 2> นั่งก็เดินไจะริญสติอยู่เรื่อยๆให้อยู่ในปัจจบุบันนคครรัับบอยู่กับร่างกายหรือว่าร่างกายตอนนี้เรากำลังทำอะไรการปฏิบัติมันก็ช่วยเวลาผบทำอัตรการมก็ทําให้ทําร็วขึ้น เยอะเพราะใจมันสงบใจมันไม่คิดอะไรมันนิ่งๆมันก็ทํามันก็เลยมีเวลาเหมือนกับก็ยิ่งได้กลับมาทํามากขึ้นครับก็รายงานพระอาจารย์ใช้วิธีนี้เอาก็ยังเสร็จช้ายังติกแต่ว่าก็ท่าไสไประหว่างวันนะ้วก็ใช่ครับโอเคนะแค่นี้เหรอครับแค่นี้ครับนะคุณหมอพัฒนะต่อก่นนั้นสักการแพทย์อาจายสวัสดีคุณมัลคุลลาค่ะ วันนี้มีสามคำถามค่ะพระอาจารย์ก็การบ้านที่อาจารย์ให้ไปก็เอาไปทํานะคะแต่ว่าวันนี้อยากถามคําถามได้ที่เรื่องสมูทไทยะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนนี้นั่งสมาธิก็คือเล่นความเพียรแล้วก็จเจริญบัญญาพวกพวกกันไปสมูทไทยเนี่ยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าตรงตัวไอเซนะภายในภายนอกแล้วก็พวกวิ ญ, ญญาณผัสสะพวกนี้มันไม่ใช่กิเลสใช่ไหมคะมันเป็นสภาวะธรรมแต่ว่าตัวกิเลสที่เราจะต้องโฟกัสทื่จะต้องมองมันจะเป็นพวกวิทยาสังขารด้วย สังขารสัญญาตันหาแล้วก็วิตกวิจารณใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่ใช่นไม่ใช่นะตรงที่เราต้องคอยดูคือความอยากความกังหยาจะอยู่ในนี้ไหมคะมันจะอยู่ในพวกพวกเวทนาสัญญาสังขารในพระอาจารย์ขึ้นมายถึงว่าถ้าเป็นเวทนาแล้วมันไม่มีความอยากมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกมันอยู่ในใจอยู่ในใจอือยากให้สุขเวทนาอย่างนี้อยากให้ได้สิ่งนั้นอยากให้ได้สิ่งนี้ อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอย่างนั้นเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างนี้นี่คือความอยากต่างๆเวลาเราไม่สบายใจนี่ถ้าเรามองเข้ามาดูในใจเราเราจะเห็นทันทีว่าใจเราไม่สบายเพราะเราอยากให้เป็นนั้นเป็นนี้อย่างเช่นอยากให้โลกนี้มันหมดไปทัทีพอไม่หมดมันก็ทําให้เราไม่สบายใจขึ้นมายิ่งต้องดูสมุดท้ายนี้ต้นเหตุของความไม่สบายใจ ให้ดูให้เนีในเวลาไม่สบายใจแล้วลองค้นหาดูเราไม่เซ็ต <c oughs> เราไม่สบายใจกับเรื่องอะไรแล้ว <c oughs> เ, เราจะรู้ว่าเพราะเราไปอยากให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้น <c oughs> เป็นอย่างนี้พวามมันไม่เป็นตามความอยากของเรามันก็เลยทําให้เราไม่สบายใจ <c oughs> แล้วเราต้องคิดทั้งสิบข้อเ น, นี้ยต้องคิดถึงใจรักแม้ว่าทุกทั้ง ท, ท, ทุกทุกอันเนี้ยมันจะเป็นใจลักหมดเลยตั้งแต่เรื่องตารูปเสียงอะไรมันเป็นเราต้องคิดอย่างนี้รู้ใช่ไหมคะไม่ต้องไปคิดแต่ให้ดูเวลาเห็นรูปแล้วไม่สบายใจก็รู้แล้วเพราะเรามีความอยากความรู้นั้นหรือว่าต้องละเอียดได้ค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงเขาด่าแล้วไม่สบายใจก็นั่นแหละอ๋อถ้าเฉยเฉก็แปลว่าได้แล้วออยากให้เขาไม่ด่าเพราะก็ด่าก็เลยไม่สบายใจได้ก็ ตอนนี้เราก็เปลียนมองเรื่องเรื่องตรง ต, รง ต, รงตรงความอยากอยู่ก็มีการบ้านทดสอบอยู่ก็สองข้อเลยพระอาจารย์อาทิตย์เนี่ยก็ยากที่อยู่อเมริกาสท่านนะคะก็มีคนนึงเสียเพราะโควิดเลยอะ่ะก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นเป็นแบบก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะพระอาจารย์คือถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะไม่ใช่ความรู้สึกแบบนิ่งๆแบบนี้พระอาจารย์ <S 2> <S 2> แล้วก็รูกก็ทำสร้อยทองอะไรที่ให้ไปหายแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเฉยเฉยนะพระอาจารย์เพราะว่า รู้สึกอย่างที่อย่างที่เรียนพระอาจารย์ว่าพอมันเพราะมันเิ่นมันตัวเองพยายามทําความเพียรให้เยอะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมเจดินบรรัญญามันรู้สึกว่ามันมีอุเบกฐา น, นติดออกมามันก็เลยทําให้มันนิ่งนิ่งได้อันนี้ก็คือทาข้อสอบตรงนี้ได้ใช่ไหมค ะ, ะอาจารย์บางทีมันผ่านใช่ไหยคะถ้าเรานิ่งๆแล้วเราไม่รู้สึกอะไรก็แสดงว่าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ได้ไม่อยากไม่อยากให้ของหายอนะไรเนี้ยค่ะพระอาจารย์<ม>แล้วก็อย่างก็คือโอเคก็คือว่าทําถูกต้องแล้วอ่าแล้วก็ แล้อีกข้อสอบหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องของการทานก็คือเดือนเนี้ยก็จะเพิ่มเป็นถือซีลแปดหกวันแล้วก็ทานมือเดียวแล้วก็พอเข้าพรรษาก็จะกลายเป็นเข้าคือซีนแปดทุกวันเลยแล้วก็จะกินมือเดียวทั้งทั้งเจ็ดวันซึ่งซึ่งตอนเนี้เ อ, อไม่มีอาหารชอบไม่ชอบแล้วอาจารย์ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากมากเลยเพราะว่า อาหารที่เราไม่ชอบเนี่ยกลายเป็นอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่เราเองชอบเป็นอาหารที่แร่มากเลยอ่ะพอเรากินอาหารที่ไม่ชอบที่อาจารย์บอกว่าให้กินอาหารที่ไม่ชอบแล้วทาอาหารเลยตะกุลสังขารเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนสุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีการถ่ายได้ทุกวันเล้วให้กินมือเดียวนะครับอาจารย์ก็รู้สึกว่าคือไม่มีไม่มีความชอบไม่ชอบในอาหารแล้วอาจารคือกินได้หมดยกเว้นอาหารเผ็ดที่แบบมันทําให้เราปวดท้องนะคะก็คือไม่กินที่มันที่เราจะทําให้เรามีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่า ไม่ได้เกี่ยวกับมีปัญหาแล้วก็กินอย่างนี้ก็คือถือว่าใช้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ถือกินยากินอาหารนี่แบบกินยาเพื่อประโยชน์ของร่างกายไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตัวเองดันก็คือทำต่อไปก็คือเชิญทำต่อไปอาจารย์เพราะว่าเราก็ตอนเนี้ยก็คือว่าพอที่ที่อาจารย์บอกว่าให้เราเริ่มที่ตัวเองไม่ต้องมายุ่งกับคนอื่นก็คือเราก็พยายามดูว่าเราอ่ะ เราต้องแบบล้าพวกกิเลสตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบเข้าใจมันมากขึ้นพระอาจารย์มันมันสงบมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ไปยุ่งไม่ไปอยากไม่ยุ่มกับคนอื่นเราทําที่ตัวเราเองก่อนเราก็เลยตอนนี้ก็เลยนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมเดินจงกรมนี่ใช้พิจารณาเป็นปัญญาแล้วพระอาจารย์เพราะเรานั่งสมาธินำสวดมนต์นี่คือสวดครั้งเดียวตอนกลางคืนก่อนนอนแต่ว่าตอนนั่งสมาธิเนี่ยเราตอนนี้มันนั่งได้เร็วขึ้นคือนั่งปุ๊มันก็สามารถที่จะเข้าได้เร็วขึ้นแล้วก็อยู่ได้นานขึ้นแล้วก็ไไมมม่่่ีเจจ็บแล้วอะพรราาย์ นั่นได้ประมาณสชั่วโมงกว่าๆสา ม, สา ม, สามสเวลาต่อวันคำถามยังคำถามเห <c oughs> มือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรใช่มั้ยะจะได้ไปที่ท่านต่อไปเลยนะค okay. คุณสุภาพร อ, อยากก็ทำมาไม่มีคำถามค่ะไม่มีอะไรคุณเอง ก็ okay. เนี่ยจากเชียงรายา ก, การวสการพระอาจารย์ครับเอหายหน้าไปอาทิตนึ่งนะสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์ครับอาจารย์แต่ว่าอยู่ อ, อยู่ข้างนอกครับไม่ไม่มีคําถามก็นั่งนั่งฟังไม่ได้เข้ามาที่สูง่ะครันนี้ก็มาในงานตัวกับพระอาจารย์ครับก็อยู่ในการปฏิบัติเหมือนเดิมครับอาจารย์ช่กเช้าตีสามเพล่งแล้วก็ช่วงตอนเย็นก็เจ็ดมงถึงสามทุ่มครับอาจารย์ก็ไม่มีคําถามครับพระอาจารย์มักลับเข้ามากลับใสการพระอาจารย์ครับ แลใช่รักษาชุบพยายามรักษาระดับการปฏิบัติไว้อย่าให้มันหย่อนยานให้มันเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับนะครับผมครับผมอย่้อยต้องเดินเดินขึ้นไปข้างหน้าด้วยการเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นก็ก็เหมือนกับอาจารย์ได้เทศให้ไว้ว่าเอ่อการทำสมาธิก็เหมือนกับการกินข้าวครับก็ทําทําทุกวันไม่ขาดอยู่แล้วครับอาจารย์ไม่มีขาดับทําทุกวันอยู่แล้วครับเช้าทุงเย็นครับอาจารย์ นี่นีมากผมเนะครับช่วงเย็นมันจะมีเอ่อช่วงเย็นมันจะสงบมากแล้วพระอาจารย์บางทีแบบออกมาเนี่ก็เหมือนกับว่าเฮ้ไม่ได้ทํามันทําไมแป๊บเดียวอะไรประมาณเนี้ครับอาจารย์แต่ก็สงบอยู่ครับนี่ภาพาข้างนั้นนี่เป็นภาพจริงนะเป็นภาพภาพหรออ๋อนี่เป็นเป็นเป็นแบ็กกราวพระอาจารย์เป็นถ่ายถ่ายในสถานที่จริงครับเป็นเป็นคือเขา ที่ที่ในชียงรายคข้ามาเขาอยู่ที่เข่าอยู่ในป่าอย่างอยยางอย่างพาอาจารย์ยังหายอกาสอยู่ท่านอยู่ในที่อย่างนั้นได้ดีสงบนะโอเคนะถ้าไม่มีอะไรก็ขอไปที่ท่านต่อไปนะครับผมครับผมกรบมพุทธวิชอาจารย์ครับหนสอดวงหน่ดวงหนดวงอยากสวัสดิ์เค เพือนบ้านประเทศลาวค่ะอาจารย์มีคําถามไหมมีค่ะผ่าจารย์ก็คือเวลาทํางา น, นเหนื่อยค่ะอาจารย์หนูลองนั่งนั่งแล้วหลับตาดูค่ะเหมือนจิตมันวุบลงไปข้างในอ่ะค่ะอาจารย์เหมือนเป็นโคพงอย่างนี้ค่ะแล้วมีเสถียรตัวร่างาหรือละ่ะไม่ไมลูค่ะรู้ค่ะว่าเอ<น>เหมือนอยู่ใน อุโมงแต่ว่าเป็นเสงสว่ออางแสดงจิตมันเข้าสู่ข้างในเข้าสู่ความสงบแล้วในเ ว, เวลา น, นอนหลับค่ะพระอาจารย์แล้วก็ฝันฝันว่าจิตบอกว่าเราอยู่ในขั้นสุดาบันสัภาคามีอะค่ะพระอาจารย์คือคือฝันปลอมหรือว่าหรืออาจจะคิดไปเองความฝันก็เป็นความคิด เราก็ต้องไปดูศึกษาว่าเราลสังโยชน์ของพระสสดาบาลได้หรือย่างสกายทิฏฐิศีลภัสตปรมาสีจิกิจฉายกสกินาคารีก็เราทําให้การมราคะเบาบางลงได้หรือย่างเราทําให้ปฏิฆะความโกรธจใจ น, น้อยลงไปได้หรือยังอันนี้หนึ่งเป็นข้อวัดของการบรรลุธรรมขั้นต่างๆมัดดูที่การละสังโยชน์ ของขั้นแต่ละขั้นไปไม่ใช่ไป อ, อยู่ดีแล้วก็โอ้ยเราคิดขึ้นมาเห็นว่าตอนนี้ร่างน่าจะเป็นโสดานะ <c oughs> แล้วนะแล้วน่าจะเป็นส ก, กิทานะ้วมันก็น่าแล้ว่าเนี่มันจะเป็นหรือเปล่ามันมีคนละเรื่องกนะันมันหุงข้าวนะ่ะหุงข้าวเอ้ยมันน่าจะสุกนะเราถ้าลองตักขึ้นมายินดูสักคำในเร็วมันยังกินได้รีย่ยัง ความพิษของเรามันหลอกเราได้นะเระา ต, ต้องพิสูจน์ด้วยความจริงก็ยังมีความกลัว อ, อ, อยู่ครับอาจารย์ก็ยังกลัวเจ็บกลัวตายก็ยังแสดงว่ายังไม่ถึงขั้นศูดาวาแต่แต่รู้สึกว่าเบาบางลงอะค่ะอาจารย์ต้องไม่มีเลยต้องรู้สึกเฉยๆเพราเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยค่ะเห็นร่างกายคนอื่นก็เจ็บเราเดือดร้อนแทนก็ไหม <ข>มันตายเราเดี๋ยร้อนาาแท น, น <ภา S 1> เรอเกลัวแทนเรไม่กลัวกมันต้องแบบนั้นค่ะพระอาจารย์แบบว่ากลัวบาปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเวลาถ้าเราพูดอะไรไม่ดีเนี่ยมันก็จะกลับมาคิดค่ะพระอาจารย์เพยายามรักษาศีลไม่ถ้ากลัว บ, า, บ า, าปบบาไม่ใช่อย่าละเมิดศีลหน้าเออก็คือว่าพระอาจารย์ถ้าหนูเอ่อทําแบบ ประจำทุกวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วก็ไม่ได้เข่งว่าจะให้ได้สินสินแปดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ได้ไหมอ่ะก็อยู่ที่ว่าเรามีเวลาเป็นรักษาสินแปดไหมสินแปดนี่เหมาะกับเวลาที่เรามีเวลาว่างแล้วเราไปอยู่ปฏิบัติธรรมคนเดียวอย่างงี้ยเรควรจะถึงสินแปดจะได้ห้ามไม่ให้ไปเปิดมือถือดูดูฟังอะไรต่างต่างแต่ก็ ทานข้าวมื้อเดียวทุกวันเลยนะคะก็แสดงว่าเราก็ได้ได้ได้สิบแปบางข้อได้ข้อหกอ่า้ขอหก<ช> <6, S 2> อาแต่เรายังดูหนังฟังเพลงอยู่ยังยังหาความสุขจากโลกเสียงกินรถดอยู่นั่ก็ยังกินข้าวยังต้องเลือกอาหารชนิดนั้นชนิดหนึ่งก็ยังถือว่าเรายังติดในในกามกามะชันทาย เอ่อน้องก็เท่ า, าทีา่ก็ฟังท่านอื่นที่้นปฏิบัติคุณหมอภาสนาแล้วกว่าถ้าที้แกเลือกกินของที่แกไม่ชอบข อ, ของที่ชอบก็ไม่กินดัดสินานความอยากกิเลสกิเลสไม่ชอบกินของนี่มันชอบแล้วลองเปลี่ยนกินของนี่เป็นร่างกายชอบดีกว่าร่างกายคือกินของนี่เป็นประโยชน์กับร่างกายแต่กิเลสอาจจะไม่ชอบนี่นของจิดจืเของไม่เผ็ดไม่ ไม่หวานไม่มันอะไรท่านนอนนี่ผักนี ky, ่เป็นผักพยายามทําตรงกันข้ามใช่ไหมคะ่ะพั อ, อถ้าอยากอย่างไรก็อย่าไปกิ น, นกินในของที่เราไม่อยา ก, กไปใจเราจะได้เฉยๆอยู่เป็นการกินได้ทั้งสองอย่างขาไม่อยากก็กินได้เขา อ, อยากก็กินได้แต่ไม่ไม่ไม่ไม่รู้สึกหมหุนเวียดเวลาะเวลาไม่ได้กินของที่เราอยากหรือเวลาที่เราต้องกินของที่เราไม่อยาก แเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเพราะเราฝึกมันค่ะรู้รู้สึกทุกวันนี้ก็เฉยเฉยนะคะพยาบาลแล้วก็ไม่ไม่ไม่ฝ่ายฝันถึงมันเวลาที่ยังไม่ถึงที่อาหารก็ไม่คิดถึงมันเลยรงก็ไม่ว่างงทำมีมีเครื่องมีกิเลสอยู่บางวันก็หลุดหลุดแบบว่าถ้ามันกินแบบกินยาไม่ค่อยคิดถึงยาใช่ไหมเวลายาจะกินยาถึงเวลาที่เอ้ยถึงเวลากินยา อาหารควรจะเป็นแบบนี้เอ้ยถึงเวลากินอาหารแล้วมีอะไรก็กี่นเข้าไปไม่ใช่นั่งคิดก่อนแล้วว่าเดี๋ยวจะกินอะไรดีเมื่อนี้ไปกินที่ไหนดีแต่อย่างนี้ก็ยังยังเป็นกิเลสยังไม่ได้ใช่ไหมยังเป็นกิเลสโอเคค่ะมีเท่านี้ค่ะอาจารย์โอเคไปที่คุณบริษณ์คุณบริษจากระยองใช่ไหมการบรรดสการเจ้าค่ะใช่เจ้าขาเออคําถามไหม มีคำถามเจ้าข่าวพระอาจารย์ก็ตอนนี้วิธีที่หนูนั่งแล้วใจมันเข้าสู่ความสงบอะค่ะช่วงต้นหนูจะกำหนดไปที่ตรงกลางเหมือนตรงกลางลิ้นปี่แล้วเป็นจุดที่ลึกที่สุดเท่าที่ทำได้ค่ะพระอาจารย์แล้วมันค่อยๆเข้าไปมันจะรู้สึกบีบคันแล้วก็อดัดอัน้นช่วงที่จะข่าลมหายใจอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่า ท้ายสุดมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้ค่ะพระอาจารย์ใช่วิธีแบบนี้มันมันมันเหมาะไหมคะพระอาจารย์เพราะมันจะแบบถ้ามันให้ถ้าเข้าได้ก็มันก็ก็เหมาะแล้วถ้านคือก็มีที่สองจุดที่เราดูลมได้ที่ปลายจมูกหรือที่กลางหน้าอกเนี่ยแต่ให้ดูถึงแม้จะรู้สึกว่ามันบีบมันจะขาดใจก็ให้ดูไปเฉยเฉยไม่ต้องไปไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปควายคว้าหาลม ดูดูสภาพความเป็นจริงของลมหายใจในขณะนั้นไปดูเฉยๆให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปปรับลมไม่ต้องไปแต่งลมไม่ต้องไปอะไรกับลมให้รู้เพียงอย่างเดียวจ้าเจ้าขาพระอาจารย์เวลาจิตจะสงบที่บางทีมันจะรู้สึกว่าขาดใจขาดลมหายใจไปาหายใจเลื อ, อกสุดท้ายไมใช่นั่งนั่งนิ่งสบาย เหมือน <c oughs> มันยอมอะค่ะพระอาจารย์เหมืนอนเอ้ยยอมยอมมปล่อยปล่อยอ ย, อย่าไปพยายามอย่าไปสู้แรงๆเพื่อให้ลมกลับมาเนนาราื่องอะไรนั่นค่ะพอาจารย์ดูเฉยปล่อยลมให้มันเป็นไปมันจะหายมันจะขาดก็ดปล่อยมันขาดให้มันหายไปเรามีหน้าที่รูกไปรูกไปท า, านั้นเอง ว่าหนูหนูคิดว่าเอ๊ยมันมันถูกไปเพราะมันทรมานช่วงต้นแต่มันจะสงบช่วงปลายเป็นแต่มันสงบว่าถูกไหมใ่ไหค่ะการปฏิบัตนี้มันมันจะทุกข์เมื่อต้นแล้วมันจะสบายเมื่อเมื่อปลายค่ะแต่ทางโลกนี้มันจะสุขเมื่อต้นแล้วมันจะมาทุกข์เมื่อเมืงปลายไปเที่ยวไปอะไรก็เป็นความสุขพราะกลับมาบ้านก็เหงาเศ้าซ้อย อาจาโงเป็นมาประมาณสองสามอาทิตย์นะคะแบบก็ไม่มั่นใจว่าเราถูกหรือเปล่ามันมันทุกทุนแรกๆแค่นั้นค่ะไม่มีคำถามแล้วค่ะอาจารย์โอเครับทุกคุณคะพรันริดาอยากสัติสุนดุลิมีคำถามไหมถามราชการเจ้าค่ะมีเพื่อนฝากถามหนึ่งคำถามค่ะม า, มาเลยต่อเลยนะคะ ขณะที่นั่งสมาธิพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจนจิตกำลังจะเข้าพวังสัมผัสได้ว่าจิตกำลังจะหายถ้าปล่อยเข้าพวังเต็มที่คงจะวูบและสะดุ้งขึ้นจากพวังวงเล็บหลับจึงดึงจิตกลับมาไ ม, ไม่ให้เข้าพวังไม่ทราบว่าที่ดึงจิตให้ถอนกลับมาแบบนี้ถูกหรือผิดเจ้าคะรบกวนพระอาจารย์ช่วยชี้แนะ แนวทางว่าควรปฏิบัติต่ออย่างไรเจ้าค่ะอ๋อถ้ามันจะหลับก็เดินมันกลับมาได้ถ้าถ้ามันจะเข้าสู่ความสงบก็ไม่ต้องเดินกลับมาอเดินกลับมาพุทโธต่อใช่ไมค่ะให้อยู่กับผู้พุทโธให้มันกาะติดอยู่กับผู้พุทโธไปแล้วถ้าเดินกลับมาแล้วคิดอย่างอื่นไม่ใช่ไม่ใช่ต้องกลับมากลับมาที่พุทโธเจ้าค่ะแล้วเขาคงฟังอยู่ค่ะอ่ขอให้กาะติดอยู่กับผู้พุทโธไปแล้วไม่ต้องไปสนใจว่าจิตมันจะมันจะเป็นอย่างไร ให้อยู่กับพุโทโธไปเดี๋ยวเวลามันจะขขนิ่งทอสู่การสงบมันก็จะดิ่งของมันเองแล้วเดี๋ยวพุโทโธก็หยุดไปเองเมื่อถึงจุดที่มันถึงจุดที่มันสงบแล้วพุโทโธก็จะหยุดไปเองแต่หาะไม่ต้องไปเนจิตไม่ต้องไปเน้นอะไรให้ให้เกาะติดอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจกับความรู้สึกของจิตในขณะนั้นปล่อยให้จิตมันเป็นแสดงอาการของมันไป อ๋อค่ะหมือนแล้วค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะคุณมีวันคุณอะไรแมวอ๋อลืมเปลี่ยนชื่อค่ะค่ะคุณแนนค่ะคุณแนนจัดมือดอนใช่ไหมใช่ค่ะคพราลืเปลี่ยนชื่อค่ะวันนี้ไม่มีค่ะค่ะเพราะนะคะค่ะไม่เป็นไรอหาไม่ออกนชื่อคำไขของเียว เงี๋ยแน่ะค่ะค่ะพัดค่ะคุณปีชคุณไปดีอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับการนมัตสการกรับอาจารย์ครับอ่าอยู่เมฆใช่ไหมครับกรุงเทพครับอาจารย์ครับถึงคิวผแล้วใช่ไหมครับอถูกต้องวันนี้เข้ามา ร่วมฟังนี่เฉยครับพระอาจารย์ครับที่ผ่านมาไปพี่นาแล้วคิดว่าคงคงคงขาดสติครับพระอาจารย์ครับที่ผ่านมาคงเป็นแบบที่พระอาจารย์ให้คําแนะนําครับว่าจะต้องไปเจริญสติอีกทีนึ่งครับผมสังเกตที่ผ่านมาสักสามสี่วันคงเอ้ยเป็นอาทิตย์คงจะจะเวลาเดินจงกกงหรือทําอะไรก็คงจะจะขาดสติสติก็คงจะไม่เข้มแข็งเท่านั้นครับ วันนี้ก็เลยทวนเรื่องสติให้ตัวเองครับแล้วก็เข้ามาร่วมฟังทำกับพระอาจารย์นีเฉยครับพออาจารย์ครับใดีพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆนะสตินี่จะเป็นอย่างยิ่งสำคัญที่สุดครับครับพอาจารย์ครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงครับไปที่คุณอ้อมต่อคุณอ้อมจากบอกวินเชิญ นมัสการค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะไม่มีคําถามยัม้องเลยเลยนะค่ะอาจารย์สายทิพย์ก็อาจารย์สายทิพย์จะมาหาสารคามนึกคอนเกนตค่นะนมัสการพระอาจารย์ค่ะ อ, อวันนี้ตะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคือช่วงนี้เพอเอินไปสมัครไม่ไม่ไมไมเคยเท่าไหร่สมัครเรียนออนไลน์ของหลวงหลวงพ่อวิริยังค่ะ ก็เลยเพื่อบังคับตัวเองที่จะได้นั่งสมาธิการเดินจงกรมค่ะแต่ที่ไม่ไม่ชอบก็คือทุกวันจะได้เดินตร ง, ตรงกลมวันขึ้นชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิขึ้นชั่วโมงเพื่อทําตามรูปแบบของของหลวงพ่อค่ะแต่ว่าอีกที่เหลือก็นั่งเองยาวๆเหมือนเดิมค่ะอันนั้นก็ไม่รายงานเขาค่ะทีนี้วันนี้ที่นั่งสมาธิแล้วออรู้สึกว่าเราเห็นลมหายใจค่ะมันเหมือนลมที่มันผ่านจมูกเดิมเราจะรู้สึกว่ามันมันกระทบแต่ว่าบางบา ง, บาง แต่วันนี้รู้สึกมันเป็นเหมือนสายสายยาวขึ้นน ะ, ะ่าจะเข้ามาถึงจมูกแล้วก็ผ่านไปหน่อยนึงแต่ว่าไม่ได้ลงไปถึงช่างในแล้วก็รู้สึกว่ามันทำให้สมาธิเราเหมือนเราจะสมาธิดีขึ้นค่ะพระอาจารย์ก็คือมันจะเข้าสู่ความสงบแล้วก็เรารู้สึกเหมือนหลังจากนั้นพอสงบเราจะเห็นแสงหรือว่ารู้สึกว่าร่างกายมันชัดเจนขึ้นทั่วตัวค่ะอันนี้ก็คือเป็นการที่เรามีสติดีขึ้นหรือเปล่าคะพระอาจารย์ มันจะเป็นยังไงก็มไม่สนไม่ตสนใจสนใจอยู่ที่ผลว่ามันได้ยินมันสงบ ห, หรือไม่แล้ว เ, เรากอดติดอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องไม่แล้ก็ไม่ต้องตามลงเข้าตามลงออกให้เกาะอยู่ที่จุดเดียวจุดที่ทางที่ทวารเข้าออกของลงงหมหรือปลายจมูกถ้าจิตมันสงบก็สแสดงว่าสติดเรา ด, ดีถ้าไม่สงบก็สแสดงว่าสติดเรา ขาดตอนเผลอไปคิดเรื่องนั้นเผลอไปคิดเรื่องนี้มันก็จะไม่สมดุบูรณ์ใช้พยายามอยู่กับลหหหมหายใจให้ไม่ได้ไม่กดลมหายใจอย่างเดียวอยากปล่อยให้ไปคิดเรื่องอื่นแล้วไม่ต้องตามลมเข้าไปข้างในไม่ต้องตามลมออกมา ใ, ให้เฝ้าดูอยู่จุดเดียวมันมันคนเก็บตัวตัวของเราภาพยนตร์เนี่ยยืนเก็บที่ประตูไม่ต้องวิ่งไล่ ันเข้าไปเก็บไม่ต้องวิ่งตามคนออกมาให้ที่ตรงประตูทีนี้หนูถามอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ ท, ที่ผ่านมาค่ะพระอาจารย์สมัยก่อนเวลาเดินจงกรมแล้วจะเวียนหัวค่ะมีครั้งหนึ่งเดินจงกรมแล้ว ต้องหยุดเพ่อไปอาเจียนค่ะอันนี้เกิดเพราะอะไรคะพระอาจารย์ก็เลยตอนนั้นก็เลยฝังใจว่าไม่ชอเป็นตรงกลมถ้าเป็นเพราะเวลาเดินจงกรมอย่างเดียวเวลาอื่นไม่เป็นก็แสดงว่ามันเป็นกิเลสกิเลสกิเลมันต่อต้านไม่อยากให้เราเดินจิตแล้วยังมีกําลังไม่พอที่จะไปครอบครองกิเลสนั่อย่าเดินเฉยๆเวลาเดินน่องมีอะไรคําขับใจเลยด้วยนั่นพุทโธพุทโธไป แต่ว่าตอนนี้ก็ก็ก็ดีดีขึ้นค่ะไม่ไม่เป็นแล้วแต่ว่าตอนนั้นคือต้องต้องต้องออกมานั่งเลยค่ะต้องออกมาหยุดครั้งหนึ่งนี่คือหยุดแล้วก็เพื่อไปห้องน้ําอาเจียนแล้วก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เ ร, เราไม่ได้ฝึกสติไ ม, ไม่ไม่รู้จักว่าสติเป็นยังไงก็เลยปล่อยให้มันเป็นไปตามอารมณ์ของมันมันก็เลยสร้างอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาเป็นตามต่อตา้านใช่ไหมครับใช่ อีนไม่อยากให้เราปฏิบัติค่ะถ้าให้ไปเดินช้อปปิ้งเดินเท่าไหร่ก็สดเราไม่เนหัวเลยค่ะไม่อจีนเลยค่ะพราะมีของให้ดูอยู่ด้ารยกมจะดูอะไรเหมือนก็เลยเบื่อค่ะวันนี้ถามเพียงเท่านี้ค่ะพระอาจารย์ได้สาธุชาติุพ่อที่ท่านตอบไปคุณทวีชาค อยากสวิต่ซอร์แลนด์การทมาศึกรราาจารย์ค่ะอยากจะถามอะไรไหมวันนี้อืไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติต่อค่ะทําให้เต็มที่นะถือเสีลแต่ทุกวัน <c oughs> วนทุกวันหยุดของเราวันนี้ใช่ไหมวันหยุดวันพูดใช่ค่ะพระอาจารย์ก็ทําวันพุดให้เป็นวันพากเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ค่ะ <c oughs> แต่รู้สึกว่า เวลานั่งสมาติเวลานั่งก็สงบดีขึ้นค่ะเวลาอยู่ข้างนอกก็รู้สึกว่าเหมือนมีสติอยู่คือเหมือนไม่ได้บังคับนะคะพระอาจารย์ช่วงนี้นะคะมันนั่นเป็นดัโนีมันนั่งจะสติมันจะนั่งเดินมันเองได้นะอค่ะคือรู้รู้สึกว่าเออมันเหมือนแบบไม่ต้องแบบบังคับให้มันพุทโธให้มันบางครั้งไม่ได้คิดพุทโโธแต่มันก็แบบมันก็นิ่งอะค่ะพระอาจารย์ คือ<ด>ลราสัมไม่ได้คิดอะไรคือทไม่ล อ, ไ ล, ลอยไปลอยม า, านในปัจจุบันค่ะ ช, ช่วงนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะ อ, อาจารย์ก็ปฏิบัติต่อไปในนั้นก็ไปที่ท่านต่อไปนะตรงส่พัฒนาจะมาเวียนได้ยินเสียงมาเอาแมนมาฮอ น, น <c oughs> หลายตัว กล่าวในวัชการก็ขอฟังธรรมของของพระของพระอยู่ข้างๆกันอ๋อหนึงหลายตัวเจ้าค่ะกล่าวในวัชการเจ้าค่ะก็มาขอฟังธรรมเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็มากราบพระอาจารย์ด้วยค่ะได้ได้ได้คําตอบตรงที่พระอาจารย์บอกว่ามันมันคิด ที่ที่พระอาจารย์บอกว่ามันมันคิดไม่อยากให้เกิดแบบนั้นไม่อยากให้เกิดแบบนี้ก็คือตอนนี้ที่ว่าเรื่องหยุดความอยากก็เป็นอย่างที่พระอาจารย์ว่านะคะพระอาจารย์ใช่เราก็เรา่มเริ่มพิจารณาว่าเราไปห้ามมันได้ไหมไปสั่งมันได้ไหมใช่ <5 S 1> ไม่ได้สั่งไม่ได้ก็ก็หยุดหยุดอยากนีดีกว่าจากไปก็ทุบไปว่าก็ค่ะก็มันก็มีมีทั้งเรื่องเป็นเรื่องเป็นสถานการณ์ก็เลยพยายาพิจารณา คาอย่างนี้มันอยากกับทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่ะต่อนี้ก็พยายามเปลี่ยนเรื่องนี้แล้วก็เพี่ยนเรื่องมีสติเจ้าค่ะสองอย่างกับสมาธิเจ้าค่ะสาอย่างทยาาทำใจ<ช>ให้เป<ห>็นสันโดษยินดีตามทุกสภาพทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะเป็นก็เป็นอะไรจะเกิดก็เกิดคใจเราจะไม่เดือดร้อนก็ค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์ คนเศร็จ์ตอนไหนเศรษฐเรษฐศุกร์อยู่ที่ไหนคุณเข้ามาข้างล่างแล้ววันนี้ไม่เคยหน้ า, าเศรษฐเศรษศั์ศรรครับอ่าคเข้ามาคัจารจากจากน้อข้านมครับอาจารย์ข้าวนมอเชิญมีคถามหมับันยานมกีเสียงขัดการไม<น>่หา ย, หายมมีสองาำถามครับอาจารย์ถ้าเรานั่ง ถ้าเรานั่งแล้วเนี่ยเราถอดผมถอดแขนถอดขาถอดตัวถอดอะไรทุกอย่างไปหมดแล้วเนี่ยเราไม่เหลืออะไรแล้วเราเราจะดูอะไรต่อไปครับ เ, เราเวลานั่งสมาธิเราต้องมีอะไรดูไว้บังอย่างอย่าถอดหมดจะดูคอนขดก็ได้ถ้าเราคยใจเราต้องมีอะไรถูกไหมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปคิดเรื่องต่างๆได้ คือคือยังให้เหลือไว้สักอย่างที่เราจะดูแต่ถ้าถอนหมดแล้วมันก็ยังเหลือลมหายใจที่เรายังดูได้อยู่ครับได้เหลือลมหายใจก็ดูลมหายใจไปก็ไดเป็นการจ<ด>ิตแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมจนกว่าจิตมันจะรวมสงบแล้วมันก็ทุก อ, อย่างก็หายไปหมดแต่ความว่างก็ดูความว่างไป อ๋อ ด, ดูดูแค่ความถ้าเห็นความว่างก็ดูว่างไปเรื่อยเหรอครับอ่าดูอย่าให้มันคิดปูแต่ถ้ามันคิดปูแต่ก็ต้องหยุดมันถ้าเราดูความว่างไปเรื่อยเราเราจะได้อะไรครับอาจารย์ถ้ามันได้ถ้ามันเหลือแต่คว า, ามว่างก็แสดงว่าจิตเราสงบเราก็จะได้ความได้สมาธิได้โ ม, มเด็งาใจเราจะรู้สึกเฉย ไม่ทุกร้อนกับอะไรต่างๆไม่รักไม่ช้ำไม่กลัวไม่ดลงแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะเดินปัญญาได้ตอนไหนครับอาจารย์อ๋อยังตอนที่เราต้องรอตอนที่ออกจากสมาธิก่อนอ๋อตอนที่ไม่ออกมาค่อยอค่อยมีอะไรกระทบมีอะไรกระทบเราค่อยพิจารณาพิจารณาให้เป็นตายแล้วรูปเสียงกลิ่นแลต่างๆที่มาเรามาสัมผัสแล้วตรงนี้พิจารณาเป็นตายละวได้หมดเลย ในแต่ร่างกายเราก็พิจารณาคนตายล่าปลายใหครับอีกอีกข้อหนึ่งครับอาจารย์ครับอีกข้อหนึ่งครับอาจารย์ครับถ้าเรามีจิตถ้าเรามีจิตแล้วเรายังต้องรักษาจิตแต่ว่าเราจะทำลายจตไรับเราจิราไม่ทำลายเราเราทำลายกิเลสกิเลอุปทานในจิตความไปยึดในจิตความไปอยากให้จิตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองปล่อยให้จิตมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันอุปทานในจิตคืออะไรครับอาจารย์ กอความอยากเนี่ยความยึดบ้านถึงมันยึดยึดบ้านในจิตที่สงบจิตแต่จิตนั้นมันก็ยังไม่เทียมเี่ยงบางทีมันก็ไม่สงบเนี่มันไม่สงบก็ก็ปล่อยมันไม่สงบไปให้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไปอย่าไปยึดนามันต้องสงบไปตลอดเวลาก็เหมือนกับความโกรธมันขึ้นมาแล้วก็เห็นมันเสร็จแล้วถ้ามันหายไปเราก็บอกว่ามันมันไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับ ก็ความโวรเนี่มันก็มีสาเหตุความโกรธเกิดจากความผิดหวังเกิดจากความเสียใจที่ไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็โกรธเราก็ถ้าไม่อยากจะโกรธเราก็ต้องไปตัดความอยากในสิ่งนั้นครับก็คืออีกอีกข้อนึ่งครับก็คือนั่งนั่งสามวันแรกเจ็บเข่าแบบเจ็บเหมือนเอาสว่านมาเจาะแล้วก็หายไปเป็นปีเสร็จแล้วอีกปต้นปีเนี้ย ก็เจ็บอีกครั้งหนึ่งเหมือนเหมือนสภาพเดิมแล้วก็เจ็ดแค่วันเดียวแล้วก็ไม่ไม่เจ็บอีกเดี๋ยวนี้มันมันเป็นสภาวะอะไรครับจ๊ะก็ไม่เที่ยงนิจจังความเจ็บก็เป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดดับเกิดดับพนันตาเราไปบังคับไปถามมันไม่ได้ก็ฝึกใจให้เฉยๆกับมันเท่านั้นเองมันม็แล้วมันมาทำไมมันไม่เจ็บทุกวันครับไปจ๊ะเพราะมันไม่เที่ยงไง อ๋อไม่เที่ยงก็คือมันไม่แน่นอนแล้วเราก็ไปสั่งมันนั้นสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันไม่เจ็บเลยก็ไม่ได้สั่งให้มันเจ็บตลอดก็ไม่ได้มันก็ไปไปมาตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุทําให้มันเจ็บมันก็เจ็บในเหตุทําให้เจ็บมันไม่เจ็บมันก็ไม่เจ็บเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วก็อย่าไปอยากเท่านี้อย่าไปอยากเท่านั้นใจเราจะไม่เดือดร้อน มาแล้วนะโอเคคุณท่านรับคนตรีอาจารย์กันารพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่ารไงมีคำถามไหมวันนี้มามามาพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคำถามเจ้าค่ะอาจยะถามทีหลังก็ได้นะท่านถ้าเกิดมีคำถามเ่เาเป็นชาาเกจเจ้าค่ะโอเคเด็คนไปเป็นปรปวทจากาลานซ์ a ท็ e ซั หายไปแอะทีเทล่าเห็นเข้ามาปุ๊บมันก็ออกไปนะครับก็ฟังอยู่ข้างนอกครับหลวงพ่อหลวงพ่อฉีดยาเข็มสองยังครับผมยังสิงหานู่นเนี่ยวันนี้เพิ่งได้ข่าวว่าแอสตานี่มีมีผลดีบางที่ฉีดเข็มเดียวได้อยู่ได้ถึงสี่สิบห้าที่นี่ก็สีบห้าเดียวครับเดี๋ยวเขาเขามันเลยเลยกําหนดเวลาแล้วนี่ครับถ้ามันถึงสิงหาไม่เราต้องเราต้องฉีดมาเดือนเดือนที่แล้วต้นเดือน อสิงหาที่ยประมาณสิบสองอาทิตย์แต่คุณได้อ่า น, นในเขาวิจัยว่าแอสตราเนี่ยสามารถไม่ต้องฉีดได้ถึงสี่สิบห้าอาทิตย์เ น, นี่ยอ๋อมันก็มันก<ด>็ยังเป็นแลแ้ว แ, แต่ตามวิจัยเพราะว่าที่นี่เขาสี่อาทิตย์เขาให้ฉีดทังผมแบบว่าไฟเซอร์ก็สามอาทิตย์ให้ฉีดเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าภูมิต้านทานก็ดีขึ้นออืแก็ดีเท่านั้นแบบไหนก็ได้ขอให้มีก็แล้วกัน ครับผมอันนี้ที่กำลังงานอนุโมทนาขอให้ประเทศไทยฉีดอะไรก็ได้มันก็ดีทุกอย่างอันนี้บางไทีขาดวัคซีนกันใครมีบัญญาส่งมาก็ส่งมาได้บุญไม่ีเขาเขาเขาก็คงจะผลิตได้โดยประเทศไทยแต่ว่าต้องขอรุญาให้เรียบร้อยก่อนนั่นเองต้องใช้เวลาขั้นตอนอะไรเลยชาติผมเขาเริ่มให้สั่งจองโมหน้าได้แล้วในบางทย แเห็นเห็นเข้าไปงพอืบาเห็นโรงพยาบาลละเนี่เขาสั่งเข้ามาแล้วนี่ฮะพวกไพส์ช่วยผูมาดูหน้าเข้ามาแล้วเดมชาร์จเงินเอาใช่เแค่รำอันบาทพวกบํารุงร่าแล้วพวกนี้ก็แต่ว่าก็อนุโมทนากับคนใครจะไปฉีดก็ให้ประเทศไทยเจริญครับจะได้ยักลับไปเที่ยวเยี่ยมบ้านทักทีิ้งขอให้ฉีดเยอะๆนะเราจะได้สกัดเราได้อะไรก็ได้ แล้วบางอย่างประเทศไทยก็มีอยู่แล้วเนี่ยฟ้าทลายโจรก็แปดสิบเมตรก็เห็นได้ผลดีอืมแล้วก็คุณพ่อครับแล้วอยากถามอันหนึ่งครับการที่ผมไปในสมัยช่วงสวนี่ก็เราก็ไปช่วยไปงานศพตลอดการที่เราไปฟังอภิธรรมของงานศพเนี่ยการสวดของพระเนี่ยบางครั้งเราฟังแทบไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าจะไม่รู้เรื่องในตอนที่ว่า บางจุดเท่านั้นเองแต่ว่าเราจะเอาจิตใจของเราเนี่ยยึดมั่นอะไรทำให้เราดีขึ้นนะครับเอาความจริงการสวดของบ้านนี่มันกลายเป็นแบบเป็นพิธีแล้วไปแล้วมันไม่มีสาระคุณประโยชน์อะไรเลยทำไปให้มันกลายมาเป็นเครื่องประดับของงานเท่านั้นเองความจริงการสวด น, นี่มันมีเป้าหมายอยู่สองมันถ้าสวดสวดเพื่อทำใจให้สงบเราต้องสวดเอง เป็สนสวดมน์บทไหนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องสวดบทอที่ทำที่ก็าสวดในงานศพก็ได้ส่วนหน้าต้องการปัญญาวความรู้ก็ต้องเข้าใจบทที่สวดว่ามีความหมายว่าอย่างไรอันนี้ถึงถือว่าเป็นการเป็นการปฏิบัตินเแต่ถ้าไปฟังรอบสวดเราไม่รู้เรื่องว่ารอบสวดอะไรบางทีคนสวดเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสวดอะไรเพรียงแต่ท่องจํง ท, ง ท, งท่องจามา แล้วก็สวดไปอันนี้เป็นเรื่องพิธีกรรมมันไม่ได้เป็นการปฏิบัติธรรมอันนี้ถึงคมฟังแล้วไปก็ช่วงนี้ก็เป็นพวกสวก็จะมีงานงานงานอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะในรุ่นกลุ่มอะไรพวกนี้ก็จะไปเราไปนั่งฟังฟังแล้วก็มันไม่ 99% ก็ไม่ได้ฟังอะไรถ้าสวดไปคนฟังมานคุยกันไปครับอันนี้มัน เป็นเรื่องของพิธีไปมันไม่มันไม่ได้เป็นเรื่องของการปฏิบัติไม่ได้เป็นเรื่องของการศึกษาเพราะว่า อ, อย่างอื่นเราก็พยายามศึกษาจากหนังสือแบบเรียนสมาธินี่ถ้าเราไปทําเองเราไม่เข้าใจเราก็ก็ยังโชคดีได้เราเรียนจากคุณพ่อวิริยังมาอย่างด้วยความใกล้ชิดก็ส่วนใหญ่คนเขาจะไม่อ่านหนังสือที่ท่านเขียนถ้าอ่านหนังสือที่ท่านเขียนแล้วมันก็จะเข้าใจในการทําปฏิบัติทำมากขึ้น ต อ, ตอนนี้ครับตอนนี้โลกก็ได้ทดสอบแล้วนี่ครับว่าถ้าไม่มีสตินี่ไอ้โควิดมันก็จะทำลายประสาทตัวเองได้ตอนนี้ทั่วโลกได้เรียนรู้นี่ครับว่าการมีสตินะ่ะสำคัญแค่ไหนสมาธิมันจะเริ่มขึ้นมาเพราะว่าไอ้โควิดเนี่ยทำให้คนต้องคิดมากขึ้นนะครับเครียดด้วยอะอันนี้จะเป็นการ รู้ตัวเองว่าตัวเองอ่ะปฏิบัติธรรมได้ดีแค่ไหนด้วยครับถูกต้องถ้าใจเครียดก็แสดงว่าไปไม่ถึงไหนถ้าใจเิ่งอันนั้นอันนั้นดูด้วยตัวเองเลยอยากจะทำจริงๆครับสันติสโกนะครับผ ม, มอันนี้อันนี้ลาทั่วโลกจะได้เห็นเลย ว, ว่าตัวเองอ่ะปฏิบัติธรรมมาดีแค่ไหนโอเคมีคำถามไหมไม่มีครับการมัต ก, ก, การพระอาจารย์ครับผม ฝังอยู่ตลอดเวลาครับท่านสธุสธเดี๋ยวไปที่พระวิชานที่บวชเป็นพระใช่ไหมเนี่ยพอยนเป็นยังไงบวชได้นานหรือ ย, ยังเจนพูดได้เลยขมาดูพระอาจารย์ครับบวชได้นานหรือ ย, ยังบวชได้เดือนกว่าครับเ น, นะไม่มีกาหนดใช่ไห ม, ไ ม, มหอ่บวชไปไเรื่อยๆปฏิบัติธรรมให้เต็มที่เลยนทีนี้ ทีนี่ไม่มีภารกิจอย่างอื่นนอกจากภารกิจของพระอะไรอ่ะพอดีมีมีมีตัวคถามอะไรไหมไม่มีครับข้อบกพร่องภาษเสียงค่อยไปไหพูดพูดเข้ามาเข้ามาดูภาษาครับว่าเป็นไงกันบ้างเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็ไม่มีโอกาสไม่ค่อยได้เข้ามาดูนี้นครับพอดีวันนี้มีโอกาสบอก เฝนมันตกครับตกต <c oughs> ็เลย <c oughs> ไม่ได้ไปทําวัดก็เลยเปิดดูคาถาครับงเทศฟังธรรมไม่น่าจะเป็นปัญหานะไม่มันจะตรงกรบช่วงทำวันเย็นอ๋อใช่สองทุ่มนะที่มา <c oughs> ทําสองทุ่มก็ดูย้อนหลังก็ได้มีย้อนหลังก <c oughs> าจะทำวันเย็นก็นังง่งภาวนาต่ อ, อมไม่เวลาก็ไม่เวล า, ม, า ม, มีคำถามอะไรไหม ปฏิบัติเรื่อยๆโอเคดั ง, ง, นงนั้นก็ขอนุโมตนานะพยายามศึกษาปริยัติปฏิบัติปฏิเวชนะสามท่านนี้นะท่านแรกศึกษาให้รู้อย่างถ่องแท้ว่าต้องปฏิบัติอะไรแล้วก็นําไปปฏิบัติปฏิบัติอย่างถูกต้องก็จะบรรลุเป็นปฏิเวชคือการบรรลุทำขั้นต่างๆอย่าลืมสามขั้นนี้นะศึกษาปฏิบัติบรรลุทำนะ โอเคนี่ okay. อไปที่ท่านต่อไปคุณทิพย์เชิญคุณทิพย์อ่าคุณทิพย์น่าักสาะเด็ดเดเคยเข้ามาแล้วชคุณทิพย์ยังไม่เคยอ่อครั้งแรกเหรออยู่ที่ไหนอ่าเปิดไมค์ก่อนไมคไม่ไมันคุณทิพย์ยังไม่ได้เปิดเมื่อกี้เปิดแล้วมันไปปิดนะาใไม อ่าตอนนั้นอ่าพูดได้เลยทำน้ำมาสการเจ้าค่ะอี่เรื่ง อ, องเขาทำใเป็นลูกสาวทำให้ค่ะอยู่ที่ไหนอี่เชียงใหม่เจ้าค่ะเชียงใหม่ที่เคยเค ย, เคยปรกาบท่านอยู่อ่ามีคําถามอะไรไหมที่เคยฝากพุทแก้วถวายน้ําที่ไปเอาที่แมคโค่ะค่ะอ๋อค่ะคุณเจ้าที่เป็นทีมงานของ ถ่าทอดสด ท, ที่เป็นตากล้องใช่ไหมคะตั้งแต่รอบรอบหนึ่งรอบสองโควิดแตะพี่ลูกถวายน้ำน้ำน้าดื่มตาทิพที่ไปเอารถวัดไปขนนะคะอ่ออ่ะคอะค่ะวันนี้มีคำถามอะไรไหมไม่มีค่ะเข้ามากราบนมัสการค่ะแล้วก็อยากจะเรียน อ, อีกอย่างเรื่องนึงค่ะหนูเตรียมผ้าไตาจีวอนไว้ถวายท่านนาแล้ว ใช่ยังไงหนูจะขออนุญาตส่งส่งไปได้ไหมคะได้ได้ส่งไปพระอาจารย์สุ ช, ชาติวัญญาณสัมมาลานคระละละละถึงค่ะเพราะจริงๆตั้งใจเอาไว้อยู่ที่ห้องพัถะถ้าอยากจะให้ตอบรับก็เชื่องโทรศัพท์เขาจะได้พระท่านจะได้ตอบรับให้ส่วนใหญ่จะให้พระเขาเป็นผู้รับร้อผู้เปิดขอ ง, งน้าตอบรับให้พรเราไม่ค่อยมีเวลาวค่ะถ้ายอยากจะอยากจะรู้ว่าได้รับหรือไม่ก็ เขียนเรโทรศัพท์ไว้ด้วยเดี๋ยวเวลาพ้าเขานับของนะเขาก็จะได้ตอบนับกลับได้เพอะาะทาไปรนีไม่ค่อยสะดวกตนสมัยนี้ก็ยินดีที่ได้เข้ามาพบกันห น, หนูติดตามอยู่ตลอดนะค ะ, ะชื่อนทันทลินที่แต่เข้าตรงนี้ไม่เป็นเข้าทางเลาได้เาถ้ามีคำถามอะไรก็เข้ามาได้นะทุกวันพุนสองทุก นะถ้าไม่มีคำถามนั้ก็ขอไปที่ท่านต่อไปเลยนะโอเคคุณยินดีคุณยินดีจากเซาแคลิไลนาเอ u เ a สวัสดีค่ะท่านอาจารย์กราบหมดกราบนมัช้างานแล้วก็เดวิดฝากกลับ <Yeah. S 2> ลได้่ะได้ค่ะสาธุท่านอาจารย์ค ะ, ะคำถามคือ การเดินจงกรมเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ถึงมันได้แค่ประมาณสิบแปดเก้าแ uh ้เก uh ้า uh ี่เก uh ้าก uh uh ็ได้ไม่สำคัญอ๋อค่ะค่ะหนูก็เลยคิดว่าแล้วการเดินจงกรมทำไมจะต้องแบบถ้าในกรณีพื้นที่มีจำกัดเราใช้หมุนได้ไหมคะเดินรอบนี่ได้เดินยังไงก็ได้เป็นการออก เป็นริยาปวดจากการมันบทีนั่งนานๆแล้วมันเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินค่ะแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเวลาหนูนั่งเพิ่งเป็นครั้งแรกอะค่ะว่ามันเกิดเป็นตะคริวเหมือนมีลูกเหมือนมันเป็นลูกลูกลูกลูกวิงปองอะค่ะแบบมันมันมันขึ้นมาที่ตรงน่องด้านด้านด้านหลังอะค่ะแล้วมันปวดมากแล้วหนูก็พยายามที่จะแบบสะกดมันแบบแต่มันมันไม่ไหวอะค่ะอาจารย์หนูก็เลยแบบ ก็ก็พักก่อนไม่ได้ถ้ามันเป็นทางร่างกายบางทีก็ต้องพักมันค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ก็คือถ้าเกิดในกรณีอย่างนี้คือเวลาเราออกมาจากเวลาแบบหนูไม่ได้ว่าแบบหนูขึ้นออกมาเลยนะคะไม่ได้แบบพวดพาดขึ้นมาหนูก็ลองดูก่อนแล้วมันมันไม่ไหวก็เลยหนูก็เลยต้องหนูก็เลยหยุดพอหยุดปุ๊บ ก, ก็เลยจะถามท่านอาจารย์ว่าหนูจะต้องแบบ คือสามารถพักได้เลยหรือหรือหนูจะต้องถ้าเกิดในกรณีเวทนาแบบเนี้ยหนูจะต้องทนต่อคือในกรณีว่าต้องออกมาเดินจงกรมหรือหนูสามารถพักได้ค่ะได้จ้าก็แล้วแต่เราว่าเราต้องการจะทําอะไรไงบางทีถ้าเราอยากจะสู้กับเวทนาสู้กับความเจ็บเพื่อฝึกจิตไม่ให้มันไปเดือดร้อนกับความเจ็บแล้วก็ต้องนั่งต่อไปแล้วก็ใช้สติพูดโธพูดโธไป แ ต, แต่ถ้าเรายังไม่ต้องการถึงขั้นนั้นเราก็รู้สึกว่าทนไม่ไหวเราก็พักก่อนก็ได้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะนี่แหละค่ะเพิ่งเป็นครั้งแรกค่ะที่เกิดก็เลยก็แต่ก็แบบพยายามพยายามฝืนนะคะแต่แตมันไม่ไหวแล้ค่ะท่านอาจารย์คือเราต้องการฝืนไม่เถืนใ น, นอนาคตจะเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเราไปไป นีมันไม่ได้ทําให้มันหายไม่ได้แล้วก็ต้องทําใจสู้กับมันไปอยู่กับมันไปแต่หนูดีใจอย่างตรงที่ว่าสู้กับมันตรงที่ว่าหนูไม่ได้แบบหนูไม่ได้ลุกพรวดพลาดเหมือนสมัยก่อนตอนที่ว่าเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆถ้าเกิดเวลาเกิดเวทนาปุ๊บเนี่ยแบบบางทีแบบเหมือนหนูจําได้มีมีพาดหนึ่งที่รู้ที่ว่าจะเป็นสอนดวงอะค่ะที่เขาบอกว่า หนูทนไม่ไหวหนูลูกพวดพลาดเลยอันนั้นหนูเคยเป็นตอนสมัยเริ่มต้นนะคะแต่นนไม่ค่ะคือไม่ได้พวดพลาดแล้วก็พยายามฝืนเราจะาวเรามีสเตจมากขึ้นมีสเตจแต่ก็ไม่ได้ไม่พอหนูนั่งไปแล้วมันแบบมันมันเกิดเยอะขึ้นแล้วแบบมันไม่ไหวเลยคะ่ะเพราะว่ามันแบบมันวิ่งเป็นลูกเนะะี้ยค่ะแล้วแบบมันเป็นตะคิวแบบไม่เคยเกิดเลยเพิ่งเพิ่งเป็นครั้งแรก แล้วพอทักพังพอหนูฝืนปุ๊บมันขึ้นอีกเป็นเป็นเป็นเป็นขาที่สองเป็นตะคิวข้างเป็นตะคิวอีกข้างหนึ่งหนูก็เลยแบบหนูก็เลยแบบไม่ไหวจริงๆหนูก็เลยขอถอนออกมาพอถอนออกมาปุ๊บ ก, ก็กำลังคิดว่ามันต้องแบบคือฝืนตัวเองให้เกิดถ้าเกิดในกรณีเวทนาแบบนี้ต้องฝืนตัวเองในการเดินจงกรมต่อหรือแบบ สามารถทักได้อะไรเนี่ยระแบบนี้ค่ะท่านอาจารย์แล้วก็ตั้งสติพุโทโธพุดโธต่อหรื อ, อยังไงค่ะท่านอาจารย์ก็ต้องดูอะไรไว่ามนันเป็นการเจ็บจริงก็เป็นการเจ็บปองถ้าเจ็บปองก็คือเป็นความเป็นความเจ็บที่กิเลสมันสร้างขึ้นมาแล้วก็อย่าไปยอมแพ้มันอย่าก็เป็นความเจ็บจริงจร่า ง, งกายจะพิกล พ, พิการได้ก็ต้องยอมต้องก็ต้อ ง, อ ง, องพักก่อนต้องมีก่อนค่ะค่ะท่านอาจารย์ ขอบคุณมาก ค, มค่ะอาจารย์ขอบคุณคามบะไดยอยวงสัมิดการเจ้ค่ะอ่วันนี้มีคาถามของสามีค่ะพอดีวันนี้ป่วยอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็สามีก็นั่งสมาธิอุ้เพนด้วยเขาบอกว่าตอนที่นั่งสมาธิเจ้าค่ ะ, ะเขาจะมีอยู่สามคำที่มันผุดสลับขึ้นมามีทั้งกำหนด ก็กำหนดลงหัวใจบางทีก็เป็นพุโทโธบางทีก็เป็นวันทามาลีอค่ะอันนี้เราจะให้เขาปรับยังไงเจ้าคะคือในเรื่องต้นถ้ายัางควบคุมให้ยอยู่อย่างใดอย่าง ไ, ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้มันอยู่อย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นก็แล้วกันให้เขามไม่เป็นการสวดมนต์พุโทโธทำโมงสังโฆไป ก, ก็ได้แต่ถ้าต่อไปถ้าสามารถควบคุมใจได้ดีขึ้นก็ให้มันหยุดแบบอันเดียว ก็คือถ้าเขาอยู่ศาสนาคริสต์ก็คือให้เขาให้เขาใช้วันธามาเลนาถู้ไห้ใช้ใช้คำาของศาสนาเขาก็ได้พระเจ้าและวพระเยซูแล้วพระแม่แมวลี้อะไรก็ได้ค่ะคือเป้าหมายก็คือให้ต้องมีอะไรควบคุมใจไม่ให้ไปคิดวุ่นวายกับเช่นอาการเจ็บไา้ได้ปวดท้องใจเขาจะได้สงบได้ขอบพระคนเจ้าค่ะ โอเคงั้น okay. ไปที่ท่านต่อไปคุณสุคุณชิสุชิลาเหรอทางนม้ถูกอไปด้วยนะได้สวัสดีจ้าอาจารย์กราบนำสัสจัดการเจ้าค่ะมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีเข้ามาฟังธรรมแล้วก็ญาติธรรมด้วยเจ้าค่ะไปยังไงไปขอที่ท่านต่อไปเลยนะจ้าจับค่ะคคุณจอยกอทํามอใช่ เป็นยังไงวางเฉยได้ไหมใครย่อยทาอะไรใครก็จะพูดอะไรก็เป็นของเขาไงคืออาทิตย์นี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเสียเสียเสียนะนะแล้วก็เป็นคนที่เราลักกันค่ะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแบบทุกอย่างมันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยอ่ะมันมันมันโปงขึ้นเยอะเลยอะค่ะเพกเรา่กะฉะนั้นเป็นเหมือนเป็นเหมือนฟองน้ําใช่ล้วก็แตกหมดแล้วก็แตกหมด ใช่ค่ะคือเห็นเขาตายแบบตายคนเดียวแล้วเราก็วันช็อกเราแล้วเราเราแบบเรารู้เลยว่าอะไรมันไม่มีของเราเลยมันมันทําให้เราขึ้นได้เยอะเลยมันทําให้เราปลอนให้เราไปใช้ทุกคนไม่ด่าไม่ด่าใครเล ย, ย, เลยแบบไม่ว่าอะไรใครไม่อะไรกับใครเลยใครจะยังไงก็ช่างได้เลยค่ะตอนแรกก็ยังมีอยูตอนนี้มันไม่มีเลยเออมานานรสดีเนี่ยเป็นทําที่ดีถ้าใช้ได้นะ ทำไม้เราตรงได้เยอะตัดได้เยอะค่ะพอเห็นคนตายต่อหน้าแล้้วะคนที่เรารู้จักแล้วเรารักก็มันมันมันมันรู้เลยว่าเราก็ต้องตายในวันข้างหน้าเราก็ต้องเป็นแบบเขาไม่ไม่ใช่เราด้วยคนทุกคนที่เรารู้จักก็ต้องตายหมดทุกคนไม่รู้จักก็ต้องตายเหมือน <c oughs> กันเพราะเราเป็นเหมือนฟองน้ําเล็กๆบนระฟองเห <c oughs> ็นหยดน้ําที่ตกมาน้ําฝนตกลงมา ในในกองหน้ามันก็มันก็เป็นกองหน้าเนาะมันก็แตกขายไปมันทําให้รู้เลยว่าไม่ไม่เกิดดีที่สุดออ <c oughs> มันก็<ด>แต่ลกก็พยายามเอาต้องร <ไป S 2> <า>ู้เล<อ>ยว่าการยังไม่เกิดก็เกิต้องตัดความอยากให้หมดไปแล้วรล้วอีกอย่างนึงนะคะคือคําถามว่าแม่เขาอยากไปงานงานเนี้ค่ะแต่ว่าที่บ้านกลัวโควิดมากอย่างเงี้ยเราถ้าแม่อยากไป อย่างนี้ก็คือความอยากมันควรจะบอกแม่ว่าไม่ไปก็ได้ใช่ไหมคะก็สถานการณ์มันมันทําไม่ควรไปเพราะไปแล้วดไม่ดีเดี๋ยวจะไปทำให้ตัวเองเจ็บไายได้ตัวใช่ไหมค่ะแม่เขาเสียใจเพราะว่ารู้จักรักกันแล้วก็เาไปไม่ได้เขาก็เหมือนจะเสียใจก็เลยแบบว่าไม่รู้จะบอกแม่ว่า พระอาจารย์ถอนว่าอะไรอะร่างกายมันเราไปเขาก็ไอ้น anyway e like ี่ไม่ได้แล้วใช่ไหมไปช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วแหละเขาไปแล้วจิตชายเขาไปแล้วร่างกายก็เป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึงมา้เราไปเผาแล้วนึ่แล้วถ้าผมอยากทําบุญอย่างเงี้ยควรทําบุญแบบไหนคะก็ชงเงินชงเงินไปให้เขาเทวนเงินไปให้เขาช่วยงานศพเขาโอช่วยไปแล้วค่ะแต่ว่าอยากทําบุญหมายถึงว่าใส่บาตรให้ก่าใส่บาตรก็ได้ใส่บาตรแล้วก็อุทิศบุญให้เขาไปให้แม่ใส่บาตรแล้วก็อุทิศบุญให้เขาไป แล้วแม่ฝากความเอคารวะถึงพระอาจารย์ด้ไหมคะแม่ไม่ได้ไปใส่บาตนี่เครพาแม่ไปเลยอือก่ค่ ะ, ะมันสถานการณ์มันไปไม่ค่อยได้ที่บ้านเขากูวโควิดกันมากอ่าตอนนี้ต้องต้องต้องป้อ ง, งกันตัวเราเองแล้วคนอื่นด้วยไม่ใช่เราไปแล้วเกิดไปติดมาแล้วมาทักคนอื่นก็ติดแล้วมันจะยิ่งจะทําให้วุ่นวายกันใหญ่ สถานการมันน่ากลัวมันมันเราออยู่ตรงธบุรีก kind of <brilliant> ็น่ากลัวมันมกล้กันล้วได้ฉีดยเยียมได้ฉีดแล้วยังเลยค <cold> ่ะตอนแรกเขาจองของประกันสังคมให้แต่ว่ามันมันไกลมันก็ไม่ฉีดฉีดกรุงเทพอ่ะค่ะแล้วมันมันเราอยู่ไกลอ่ะแต่ทีนี้น้องเขาจะให้ฉีดของมันเ้าเรียกว่าอะไรนะจำชื่อไม่ฟาสเตอร์อะไรอะไรต้นต้น ไฟเซอร์ไฟเซอร์ยิงนานใหญ่นปลายปีนะแล้วต้นปีม็ใช้อีกอย่นึ่งหรือว่าแล้วเขาจาได้ใช่กระชอนมั้อก็เดี๋ยวดูเขาฉีดอะไรกันก็เดี๋ยวให้น้องฉีดแล้วก็ฉีดไเคอาให้มันได้ไมีฉีดมันดีกว่าไม่มีชีดก็ถ้าฉีดได้มันจะได้ไปไปใส่บาปไปไหนได้ใช่ค่ะอยากไปได้ค่ะวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วโอเคจะมาระวังตัวเองนะ ทั้งกายทั้งใจใจก็ปลดละวางโอเคนะเอาท่านี้ก่อนนะคุณค่านภานพันจินดาครับอยู่ที่ไหนเพิ่งมาครั้งแรกครับเป็นอยู่ภูเก็ตครับภูเก็ตเนะอยันนี้ภูเก็ตปอดภายแล้วที่ไม่เปิดได้แล้วนะเปิดได้แต่ว่ายังมีคนติดอยู่เลยครับไม่มากเพอคุมได้ ครับพอผมได้แต่เริ่มเริ่มมากแล้วพอเขาเปิดนะเนครับมีคำถามอะไระวันนี้ก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆอยากถามว่าต้องทำยังไงต่อไปใส่บาททุกวันสวดมนต์นั่งสมาธิรักษาศีลทำทาไปเรื่อยๆอย่างนี้จนถึงตอนไหนแล้วก็ต้องทำยังไงต่อไปถึงมันจะก้าวหน้าครับเออความเทศทําธรรมด้วยนะ ควาเทศความธรรมอ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆครับก็พยายามเพิ่มการปฏิบัติคือการเรียนจงกรมนั่งสมาธิให้มากขึ้นครับ<า>แล้วเดี๋ยวมันก็จะก้าวหน้าไปเองได้ครับการนั่งเพิ่มชั่วมแล้วเพิ่มเป็นสองเป็นชั่วโมงหนึ่งเป็นชั่วโมงครึ่งเป็นสองชั่วโมงเพิ่มขึ้นไปนเรื่อยๆอาจจะไม่ต้องนั่งในเวลาเดียวกันก็ได้ไปถ้านั่งเวลาเดียวกันไม่ได้ก็แบก ครางนี้ครึ่งยี่มงคั้งนั้นครั้งต่อไปขึ้นยมมีมงนั่งแม่มันบ่อยขึ้นมากขึ้นครับ <9. S 2> มันจะก้าวหน้าอได้ครับมาครับีใใช่ไหมน่าจะหมดนะคอเคอยันไปขอที่ท่านขอไปที่ท่านต่อไปนะพน้ อ, อุมาแ ก, ก้วบัวนมันสกาดอาจารโอเค ได้ยินไหมคะได้ยินมีคำถามอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะมากาพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุค่ะสาธุเดี๋กลับไปที่หลวงพ่อต่อไปหลวงพี่หลวงพ่อทารงที่ไหนต้อเปิดใหม่ก่อนมันก็ต้องเปิดใหม่ก่นอกนอพูดได้นะถามหลวงพ่า ผมอยู่ไปยุทธยาครับ ย, ยาได้ยินครับครัผมพอดีก็ได้ฟังเข้ามาฟังแล้วก็นีก้ก็เข้ามาฟังติดตามางเฟซเฟซบุ๊กอยู่แล้วก็ไม่ไม่ได้มีคําถามมากครับแต่ก็อ่าผมก็ภาวนานได้ครักหกเจ็ดปีนะครับบางครั้งมันก็เหมือนกับว่าอ่าสติเรารู้เข้าทันแล้วเรารู้สึกว่าเราจะชนะแต่บางครั้ง มันก็ศรัทธาไอความเพียนพยัารย์มันต้องมีขึ้นมีลงก็ยังสติก็ยังอ่อนๆ อ, อยู่มีสติบ้างแล้วก็ก็พยายามสัชชารักชาสัชชาให้ในในการภาวนาให้คงที่แต่มันก็มันอ่อนลงไปอ่อนๆบ้างขึ้นบ้างางเงี้ะคะ <c oughs> ยครับอาจารย์ ก็ดีพยาปามภาวนาให้มากขึ้นปเรื่อยๆอย่ายอนยานนะรักษาระดับปฏิบัติไว้เอย่าให้ถดถอยให้มันก้าวหน้าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องบังคับนะเราให้มันไปมันไม่ไปเองนะมันต้องคอยดันนะมัะนพออาศัยหมู่คณะบ้างอะไรบ้างทีต้องไปอาศัยคนที่ก็ปฏิบัติช่วยมือเราไป ถ้าไม่มีคาถามอะไรก็จะขอไปที่ท่านต่อไปเลยนะครับกล้ลัยคบกลาวต่อครับคุณลับค่ะทุกคนมาดีเชิญกทม อ, อันนี้อยู่ที่ไหนนักการอนุุยกอบกทมออยู่อยู่บางบัวทองค่ะหลว้พ่อตรงคำอักลยนิดเดีมันเสียงมันไกลไปหน่อยเสียงมันคล้ยค่ะหลวงพ่อได้ยินไหมคะอ่าอินี้ดีสีนี เอหลวงพ่อคราวที่แล้วเข้าแล้วมันหลุดๆเขาก็เลยไม่ไม่ได้ถามอะไรอะค่ะหลวงพแต่วันนี้ขอถามนิดนึงค่ะหลวงพ่อหลังที่หลวงพ่อสอนนะคะที่มีทานศีลแล้วก็มาฝึกสติเพื่อมาถึงสมาธิแล้วก็ปัญญาอันนี้คือมันก็จะเสริมเสริมกันมาเรื่อยๆใช่ไหมคะตขั้นตามขั้นใช่มันเป็นเหมือนขัน้นบันไดค่ะแล้วแล้วจําเป็นไหมคะว่า ถ้าเราทําถึงประมาณนี้แล้วแต่ว่าถ้าเราไม่มีของเก่ามาอย่างนี้ค่ะแล้วมันจะไปประสบความสําเร็จได้ไหมคะได้แล้วก็สร้างของใหม่ในวันนี้ของต่อแล้วไม่มีติดตัวมาแล้วก็สร้างมันในวันนี้ได้ตามได้ที่เรามีลมหายาจนั่นเราสร้างมันขึ้นมาได้แต่วเป็นตัวการ์มนเรื่อ ง, งของเก่าถ้ามีของเก่ามันไก็จะทําให้ง่ายขึ้นถ้าไม่มีของเก่ามันก็ยากหน่ เหมือนตอนถ้าถ้าเราเคยตักน้ำมาขึ้นตุ่นนั้มันก็เลยขึ้นตุ่น้นั่นี้แต่ถ้าเราไม่มีไม่เคยตักน้ำในตุน่นมันก็ต้องตัดมากกว่ากว่าคนที่เขามีน้ําในขึ้นตุน่แล้วถ้าเกิดเราเราสร้างได้แต่ว่ามันยังไม่พอในปัจจุบันเนี้ยค่ะแต่แล้วต่อไปถ้าเกิดสมมติเราต้องมาเวียนอีกอย่างเงี้ยมันก็สามารถไปต่อได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อได้ สิ่งที่เราทำให้มันก็จะเหมือนกับของที่ของเก่าที่เราเคยมีมาติดตัวเรามานี่ไหคำของพ่อแต่ขา<อ>งดี่เอาขางที่เอาไปไม่ได้ก็คือลาบดุสันดาเสร์นที่เราหากันอยู่นี่ตายไปก็หมดเลยเอาไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวตําแหน่งขนาดไหนก็เอาไปไม่ได้รถขนาดไหนก็ไปไม่ได้เงินทองมีมากน้อยเท่าไหรก็เอาไปไม่ได้ แต่ศีลที่เร า, ารักษาเนี่ยเราไปได้สมาธิที่เราปฏิบัตินี่ยเร า, เาไปได้อใจไหมคะแล้วแล้ ว, ล ว, ลวตอนเนี้ยถ้าเกิดเรารู้สึกถ้าเกิดเรามีคําถามที่เราถามใจตัวเองว่าเกิเลส เ, เราอ่ะมันหมดหรื อ, อยังอะไรเงี้ยคือเราก็จะรู้ว่าเออเรายังมีความโกรธนะความความอยากที่อยากให้คนเขา ไม่ได่าไม่ว่าเราอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังยังมองอย่างนี้เป็นปัญญาไหมคะเป็นปัญญาหรือว่าเรายังมีกิเลสมีความอยากน้องนห้ออยู่ในใจหรือไม่ค่ะหลวงพ่อเราเราพอรู้เราก็ต้องใช้ปัญญาหยุดกันด้วยสมมุติว่าถ้าเกิดมีมีคนทําให้เราเหมือนไม่พอใจแต่แทนที่ ใจเราจะตอบโต้เข้าไปแต่เราก็พูดกับเขาดีเขาอยากให้เราช่วยเหลืออะไรเราก็ทําไปปกติเนี้ยถือว่าฝึนฝืนกับก <ping> ิเ <ata> ลสของเราใช่ไหมคะเราฝอนฝืนได้เพิ่ในในหนึ่งไอ้ไอ้ส่วนแรกนี้ยังยังฝืนไม่ทนันที่เราไปแม่ไปไม่พอใจเขาเนี่ยเราต้องไปฝึกไปแก้ส่วนหน้าต่อไปเราต้องไม่เกิดความไม่พอใจเลย เฉยๆ เ, เขาทาอะไรก็เฉยๆไม่รู้สึกไม่พอใจที<ห>่<ห>ไม่พอใจเพราะเราอยากให้เขาทาอย่างนั้นอย่างนี้มันพอเขาไม่ทําตามที่เราอยากแล้วก็เลยไม่พอใจค่ะต้องต้องทําตัวเหมือนแผ่นดินใช่ไหมคะหลวงพ่า ต, ต้องทำตัวเป็นเหมือนกับว่ายินดีตามมีตามเกิดใครจะพูดอะไรใครจะทํ า, อ, าทอะไรก็โอเคทนะั้งนั้นไม่ไปหวังอะไรไม่ไปฝากความวาหวังไว้กับคนอื่นค่ะค่ะ ลลหลวงพ่อคาะและและอีกคําถามหนะะึงค่ะหนูเห็นรูปรูปงานงานศพหลวงปู่สมพานนะคะแล้วก็เห็นเห็นเขาเรียกอะไรศารลีระเห็นโครงกระดูกเห็นเห็นกระดูกข้างในอ่ะค่ะที่ในผ้าอ่ะคะ่ะแล้วแล้วเสร็จแล้วก็จะขึ้นว่าแสดงธรรมครั้งสุดท้ายนี่หมายความว่าให้ให้เห็นว่าเป็นอานิจจังเห็นสังเป็นอนิจนจังสังขารานิจจ์ ร่างกายของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นเดินน้าหลมไฟแล้วมองว่าเราเอาอะไรไปไม่ได้อย่างนี้ถือว่าได้ไหมคะหลวกพได้ไม่มีอะไรเอาไปได้นอกจากของที่เราสร้างขึ้นไว้ในใจเท่นั้นของเน่าใจนี้เอาไปไม่ได้เลยค่ะวันนี้หนูถามแค่นี้นะคะ่ะดังนั้นพยสายามสะสมของที่เราเอาไปได้ สช่ชมนิพพานในนิพพานแล้วก็ไปแล้วก็เอานิพพานไปกับเราแล้ ว, ลวหลวงพ่อคะแล้วถ้าเกิดสมมติอย่างชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยฝึกกติอะทีนี้มันกลายเป็นว่าถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมันก็จะวกมาหาคาว่าพุโทโธพุโทโธในใจอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่เป็นไรหรอกมีพุโทโธไว้ก็ดีเพราะเรายังไม่มั่นใจถ้าไม่พุโทโธเดี๋ยวเผลอไปคิดก็ได้ กู เ, เอโทโธไว้ก่อนกันไว้ก่อนดีกวา่ากันเหนียวไว้หลวงอหลวงก็ยังปฏิบัติทุกวันค่ะหลวงพ่อยังพยายามอยู่ค่ะหลวงพ่อพยายามทำให้มากนะ <c oughs> แล้วนะ่อันนี้จะได้ไปคนต่อไปนะขอบคุณหลวงพ่อขอบคุณค่ะคุณสมจาร์จากด a l l a s Texas ผมช<า> <นะ S 2> ัดนอนะประบการณพอาจารย์สามมีตัดให้แล้วค ะ, คะเหมือนพระ้อย่างเหมือนแม่เหมือนม่ชีแล้วแสดงว่าก้าวหน้านทางธรรมมากวันกันที่ผมนี่แหละออใครจะกล้าตัดผม้ึเปล่าถ้าาจถ้าาจไม่มีาจาย์ไม่มีธรรมไม่มีใครกล้าตัดแล้วคนไม่ํารมยักาตัดได้จริง สาธุสาธุเจ้าค่ะเสามีก็ให้ความร่วมมือเจ้าค่ะเขาชอบเหมือนกัน เ, เขาบอกว่าดูสบายดีเจค่ะรู้จะวันนี้รู้จะเข้ามาขอการาบกราบกราบกรบขอพบคุณพระอาจารย์เพราะคำสอนของพระอาจารย์ทำให้ลูกได้มีเครื่องมือป้องกันรักษาใจเจ้าค่ะต้องกราบขอพบคุณแล้วก็ความรู้ของที่พระอาจารย์สอนทําให้ลูกได้สามารถช่วย ที่สาวให้ใครทุกข์ได้เจ้าค่ะในภาวะที่ขับขันกล่าวพระพุทธรธรรมพระสงฆ์นะกล่าพระพุทธพระธรรมพะสงฆ์เราเป็นแค่บุตรไปชนีเท่านั้นเราของขวัญจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาฝากทำไมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่มีธรรมะที่จะมาฝากั่านแม่นี่แต่เจ้าค่ะลูกลูกรู้สึกว่ามีภูมิต้องการรักษาใจให้ให้ดีขึ้นนะเจ้าค่ะถึงแม้ยังไม่ ไม่มากแต่ก็เห็นเห็นความต่างจากเมื่อก่อนกับตอนนี้เจ้าค่ะเ<ร>ดูแล้ ว, วตัวปัญหาเกิด ค, ความอยากของเรานี่ไม่ใช่ใครที่ไหนใช่ไหมตัวที่สร้างความทุกข์างความไม่สบายใจให้กับเราก็คือความอยากของเรานีอเองเจ้าค่ะพอเห็นอย่างนี้ก็เริ่มมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่น ะ, นะ <pathway. S 2> อย่าเวลาเวลามปัญหาอย่าไปแกอย่าไปแก้ที่คนอื่นแก้ที่ที่ใจเราแก้ที่ความอย า, อ า, ก, อ า, อย า, ากของเราแล้วเความทุกข์อาความอยากหายไปความทุกข์ของเรากหายไปคนอื่นเขาจะด่าเราก็ไม่เป็นปัญหาเลยถ้าเราไม่มีความอยากเขาไม่ด่าเราแล้วเราปล่อยก็ด่าได้อย่างสบายมีคำถามอะไรไหมไม่ไม่ ไม่ไม่มีเจ้าค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้โควิดอะไรเงี้ยลูกลูกลูกสามารถรู้สึกว่าอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้มีเครื่องป้องกันใจแล้วก็ทําให้ที่สาวได้ผ่านภาวะที่เขาทุกข์ใจในเรื่องของโควิดลูกก็เพราะคําสอนของพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกแม่เขาตามคําสอนของพระอาจารย์เขาเขาเลยผ่านภาวะตรงนี้ได้เจ้าค่ะลูกมีความเจ้า <laughs> ค <laughs> ่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะถอ่า<อ> <c oughs> ไม่มีคำถามเลยนะไม่มีเจ้าค่ะลูกจังจะปฏิบัติต่อแล้วค่ะศรัทธา ย, ยิ่งเพิ่มขึ้นเราอย่าชะล่าใจนะอยาแต่มันระวังอย่าประมาทเจ้าค่ะแต่เมื่อกี้เราเยเราสบายแล้วหมดปัญหานะเดี๋ยวมันจะโดนมันตลบหลังเรานะยยิ่างยอนเจ้าค่ะลูกจะไป พยายามระวังไว้เจ้าค่ะพยายามจะระวังค่ะจะเตือนสติตัวเองเสมอเจ้าค่ะว่าตามใดยังไม่ถึงเป้าหมายอย่าประมาทเด็ดขาดเจ้าค่ะกิะเลสมั น, นมีหลายขนาดเนี่ยขนาดยากขนาดกลางขนาดละเอียดเนี่ยขนาดละเอียนี่นนนมันยังยังไม่โผล่เป็นอะเราเห็นก็ได้นะเจ้าค่ะยิงย่งยิ่งติดที่เหลืองนี่ยิ่งอันตรายลูกพยายามมองมัายู<อ>าย่เจ้าค่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ คือตัวก <zept crates> ิเลสแท้เ <Hop> น <medida avez Leonardo> ี่ยเจ้าค่ะคิดว่าตัวเองเก่งขนมาเลยเจ้าค่ะมองไม่จับได้เจ้าเจ้าค่ะเหลิองเหลืงตัวเหลืองเหลนี่อันตรายมากเลยเจ้าค่ะเหมือนบอกว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยดีแล้วนะดีแล้วนะตัวนี้ยลูกกาลังมองมันอยู่เจ้าค่ะกําลังกําลังเลงมันอยู่เจ้าค่ะพยายามไม่ให้มันชนะเราเจ้าค่ะเตือสติเยอยตอบมันเยอะเเจ้าค่ะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะขอทานอก่อนนะ คุณจันตการต่อคุณจันตการอยู่ที่ไหนเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยการนมัสการค่ะพระอาจารย์เพิ่งเข้ามาครั้งแรกค่ะอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์แต่ว่าตามพระอาจารย์มาหลายปีแล้วค่ะประมาณสี่ปีแล้วค่ะทาง a c e b o o k ค่ะตอนนั้นไปเรียนอยู่เที่อังกฤษนะค่ะเขาฟังพระอาจารย์เทศชุกช่วงใหม่ะะคช่วงประมาณบ่าก็สะกข้ามขจะมีคําถามเรียนถามอาจารย์อยู่านี้หนึ่งค่ะ เคยนั่ง น, นั่งสมาธิเนี่ยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วมันมีอาการเหมือนกับกายเย็นกายเริ่มเย็นแต่ใจก็เบากายก็เบานะคะก็มหมายใจก็เริ่มยาวขึ้นทีนี้ม่นมีอยู่ช่วงหนึ่งรู้สึกว่ามัน เ, เหมือนกายกับจิตเหมือนมันเป็นคนละส่วนกันนะอาจารย์เราก็รู้สึกเหมือนกับว่ากายเรามันเหมือ น, น, น, น, น, นมันเหมือนจะรู้สึกอึดอัดมากมจะเหมือนกายมันจะแตกค่ะ นั่นเป็นภาวะอะไรเหรอคะมันก็เป็นภาวะขูงจิตจิตมันสามารถแสดงอาการแปลกๆต่างๆปรากฏขึ้นมาเราก็อยากไปสนใจให้เราอยู่กับลมหายใจแลวอยู่กับพุทโธไปอ๋อค่ะแล้วสักพักหนึ่งมันก็รู้สึกอ่เดี๋ยวมันก็หายไปเองเดี๋ยวมันก็หายเแต่ช่วงนั้นมันรู้สึกทรมานมากมันเป็นมายามันเป็นมายามาหลอกเราเราทำให้เราเสียเสียสมาธิเสียสติ อย่าไปสนใจต้อ ง, งรักษาสติให้อยู่กับพุโทโธอยู่คกับลมไปไม่ต้อสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมาก็าสั่งแต่ว่ารู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างนีหรอครัใช่อย่าลงระดับไปถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันขอบพระคุณค่ะมีเท่านี้นะถามแค่นี้ค่ะโอเคคณยศคุณยศเชิญอยู่ท<อ>างแสนใช่ไหม ครับผมน้แสนครับผมอ่าวันนี้วันนี้มาอ่ากลับพระอาจารย์ครับเราวันนี้เป็นวันไปฉีดอ่าวัคซีนเข็มแรกมาแล้วแล้วผมจะเป็นคนที่ติดพวกไอ้ร่างกายอะครับเหมือนก็เลยก่อนก่อนไปผมก็เลยคิดว่าเ อ, อ้ถ้ากลับมาแล้วนอนนอนเงินคืนหรือตายไปอะไรยังไงเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอ่า ก่อนไปผมก็เลยบอกที่บ้านว่าเฮ้ยอันนั้นให้ให้ญาติอันนี้นะอันนี้ให้พอ่อให้แม่อะไรเงี้ยมันมันมันโอเคไหมครับอาจารย์โอเคเยอะบอกเขาไว้ก่อนจะดีจะได้ดไม่ต้องมาแย่งกันมาเถียงกันในภายหลังครับผมเหมือนเราลดลดลดลดนิตินะใช่ครับเหมือนเหมือน ก, ก่อนอไม่ ก, ก, ก, ก, ก, กล้าคิดถึงความตายในไม่กล้าคิดแล้วเพรารูว่มันเป็นความจริงไม่ช้าก็เร็วทุกคนเราก็ต้องตายกันหมด เนี่ยจะทําทอะไรก็ทําไว้ก่อนตายเตรียยไว้ก่อนครับผมอันนี้ไม่กลัวความตายเนย่ยพอคิดได้เมื่อก่อนคิดถึงคําว่าตายไม่ได้เลยใช่ครับก็แต่ก่อนก็เดี๋ยวกลัวเป็นโรคอันนั้นเดี๋ยวกลัวเป็นโรคมันติดตรงนี้มากเลยครับอาจารย์ปฏิภาจาอาจารย์ว่ามันพุงซ่าแล้วให้กําหนดพุทโตพุทโธอยู่ตลอดก็<ม>ก็ก็ช่วยได้เยอะแต่พยายามพยายามขัดเกลาตัวเองว่าต้องตายนะต้องตายนะ Okay, ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาใช่ครับอาจารย์ต้องบอกตัวเองตลอดต่อไปจิตมันก็จะเริ่มยอมรับกับสภาพความเป็นจริงได้มันจะไม่กลัวครับอาจารย์โอเคนะทําไปเรื่อยๆนะครับครับอาจารย์ขอบคุณค่ะโอวันนี้ฉีดอะไรอารตานนฉีดชิดดดดนวอวกแอตาครับอาจารย์อาจารครับวันนี้ชินอเวกไม่มีแล้วน้เสร็จไม่วันนี้อ่า ไม่มีเลยครับแล้วนัดเข็มสองอีกทีก็กันยาเลยครับอาจารย์ยิบคเจ้าของพระอาจารย์เข็มสองได้รับยังครับยังต้องเดือนหน้ะสิงหาอืมครับผมโอเคนะท่านี้ก่อนนะครับรพะอาจารย์เดินคุณชนะต่อเลยคุณชนะเออขอขออภัยเดี๋ยวคุณมุ่งที่ราก่อนข้ามผิวเลยมุกธีรากินอะไรไหม การนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามเหมืนเดิมเจ้าค่ะออไม่มีคําถามแสดงว่ารู้หมดแล้วเข้าใจหมดแล้วนะเด็อ่าอะไรที่คุณชนัะต่อคุณชนะใจไอ้อแม่คุณชนะอ่าไดอพูดได้ดเลย อ, อยู่ที่ไหนการนมัสการครับผมประมาใกล้ๆหน่อยได้ไหมเสียงค่อยไปเลยอยู่ที่อยู่ที่ชนบุรีครับผมพระอาจารย์เข้ามาครั้งแรกครับ มีคำถามอะไรไหมยังไม่มีครับผมถ้าไม่มีก็ขอไปที่ท่านต่อไปเลยนะคุณพอาจารย์ ค, รรขขคุณพระธารพรวสุครับคนเดียววสุสกับมาสการครับหลวงพ่เป็นยังไงมีคําถามอะไรไหมริวไม่มีครับวันนี้มากลับมัสการเจ๋งๆครับคุณแม่เลยมาสการก็ท่าหลวงพออ่อเป็นยังไงสบายดีไะสบายดีเจ้าค่ะจิตยาแลใช่ไหม แล้วหนึ่งเข็มเจ้าค่ะอาทิตย์หน้าเลงหนึ่งเข็มเจ้าค่ะหลวงพ่อที่อยู่หลบนี่ก็ฉีดอะไรไปเซอร์เจ้าค่ะเจ้าค่ะฉีดแล้วสบายดีเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกลูกมีหนึ่งคำถามเพราะว่าปกติลูกนั่งสมาธิแล้วก็มันจะดิ่งจะไม่ไม่ไม่ไม่ตามอะไรแล้วอยู่ดีเมื่อเมื่อสองสองวันที่แล้วเจ้าค่ะลูกนั่งไปแล้วก็อยู่ดีดีเอ๊ะ จิตขึ้นมาว่าเฮ้ยเราทําไมมันสว่างแล้วเอ้ยสงสัยเราเราลืมปิดไฟเดี๋ยวแล้วจิตมันเหมือนเป็นห่วงเดี๋ยวที่บ้านเขาจะเตื่นกันหมดทั้งบ้านอะไรอย่างเงี้ยเช่าค่ะแล้วก็เลยลืมตาขึ้นมาแต่จิตบอกเฮ้ยเราไม่ได้เปิดนะเราปิดไฟแล้วเราเปิดเราจุดแค่เทียนแล้วก็โคมไฟเล็กๆเฮ้ยหรือว่าเราลืมแล้วอยู่ดีจิตก็ก็เลยลืมตาขึ้นมาดูว่าว่าว่าลูกเปิดไฟหรือเปล่า อย่างเนี้ยเจ้าขาหลงข้อเจ้าขาคือสภาพว่าลูกไม่มีสติหรือเปล่าอย่างหรือเปสภาว่าไม่มีปัญญาไม่มีไม่มีปัญญาต้อค่ะเจ้าค่ะแล้วลูกจะต้องแก้ไขยังไงเจ้าค่ะก็ต่อไปก็ต้องเราก็ต้องลุก่วงหน้าไว้ก่อนก่อนเวลาเนักสมาธิเราปิดไฟแล้วเปิดไฟหรือเปล่าเจ้าค่ะ เวลาเราห ล, ลับตาถ้ามันสว่างขึ้นมาก็แสดงว่ามันสว่างในใจไม่สว่างข้างนอกใช่ค่ะหรือถ้ามันจะสว่างข้างนอกก็ไม่ต้องไปสนใจเวลานั่งสมาธินี้เราไม่กังวลกับอะไรทั้งนั้นให้อยู่กับพุโทโธอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้การในการนั่งสมาธิไปเคีอย่างเดียวบ ท, ทีที่เล่บบังอบเราที่เล่มันสร้างอะไรมาหลอกเราทําทให้เราทําให้เราหยุดหยุดภาวนาหยุดหยุดปฏิบัติ ต้งค่ะเน้นตอน<ช>ที่เราจะนั่งแล้วก็ตรวจตาให้เรียบร้อยค่ะว่าทุก อ, อย่างเป็นยังไงก่อนให้รู้ไฟเปิดหรือเป่าไฟปิดหรือเปล่าตรงค่ะแล้วตอนเวลานั่งก็ไม่ต้องไปสนใจกับอะไรทั้งหมดเลยตรงค่ะหลวงพ่อรูสึกเลยว่าวันนั้นถูกถูกหลอกถูกหลอกถูนหลอกต้งค่ะเพราะว่ า, าอเอลูกแบบเออตีสีตีสี่ครึ่งเออเดี๋ยวหมาแบบว่าเอ๊อเรา กูบอกไอ้เราปิดแล้วนะแล้วทำไมเราแบบจิดเหมือนเป็นห่วงเดียวที่บ้านจะเปิดทบ้านมาอะไรเจ้ามันหลอกอะไรมันหลอกให้เราไม่นั่งไม่ให้อยู่แบบสมาธิไม่ให้อยู่กับลมจ้อค่ะจ้อค่ะเจ้อค่ะกลับขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะไม่ว่าจะมีอะไรปรากฏขึ้นในใจอย่าไปสนใจนี่ถ้าพุทโธก็พุทโธไปเรื่อยๆท่านดูลมาดูลมไปเรื่อยเดี๋ยวมัายไปเองถ้าไปตามเด็ดขาดเลยใช่ไหมเจ้าค่ะ ตามันก็เสียมันก็ล้มเหลวการนั่งคอนเทนต์ก็จะล้มเหลวไาเพราะจากว่าเราสงสัยเป็นจรินเช่นมีควันไฟอาจจะเป็นไฟไหม้เนี่อาจจะต้องดึงตาดูแล้วก่อนก็ได้ถ้ามันที่ว่าจะเป็นอันตรายกับชีวิตเจ้ค่ะเจ้ค่ะพระคารุหลวงพ่อกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะโอเคดูสบายดีนะสบายดีเจ้าค่ะฉีด ฉีดวัคซีนแล้วยิ่งรู้สึกแข็งแรงนะเจ้าค่ะบอกทุกคนรีบไปฉีดเจ้าค่ะคนแพ้น้อยคนแพ้ก็ไม่แพ้เยอะปะใช่ไหมใช่ น, น้อยมากอืมรู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนแข็งแรงมีพลัง ม, มากกว่าเดิมนะเจ้าค่ะหลวงพ่ออาจะมีกำลังใจมั่นใจด้ว ย, วยรีบรีบไปฉีดกันทุกคนยี่ห้ออะไรก็ฉีดไปก่อนเถอะที่นี่มันไม่มีให้ฉีดนะซิ ที่อย่างอะชีกันจะไม่ให้ชีก็การลูกน้องสาวลูกก็แบบเขาลงทุกย่อทุกเสียตังก็ลงฟีก็ลงลงลงทุกเรื่องแลยก็บอกยังไม่เห็นเรียกมาลยกสาวกับพอไสิระกันโอเคสาุอาจารย์ค่ะอาชท่านท่านตอบไปคุณขนกว่าอะไร อยู่ที่ไหนจากนักการค่ะหลวงพ่ อ, อหนูอยู่จังหวัดนนทบุรีค่ ะ, ะมีคําถามไหมวันนี้จุดเสียง <c oughs> ค่ะก็เอมีคําถามมันเหมือนจะเป็นปัญหานิดหน่อยอะค่ะเอคือพอภาวนาไปอะค่ะหนูรู้สึกเหมือนพอเวลาไปเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือสถานที่บางที่อะค่ะมันเหมือนหนูรับ หลับกระแสอะไรที่ไม่ค่อยดีง่ายอะค่ะแล้วพอบางทีจิตรเราดีๆอยู่อะค่ะพอภาวนาบางทีมันเหมือนมันมีนิวรณ์มีความคิดมาดึงจนเราต้องใช้เวลาอยู่นานเหมือนกันกว่าจะกลับมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะหลวงพอ่อไม่รู้ว่าอย่างเงี้ยเราจะต้อง<ร>ต้องฝึกสติให้มากเพราะไม่มีสติดีเลยมันจะแสดงอาการต่างๆขึ้นมามต้องฝึกสติก่อนที่เรามานั่ง คือฝึกตั้งวันเลยพยายามควบคุมใจอให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธหรืหอให้อยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกาย<ม>แล้วพอเวลามาหน้ามันก็จะไม่มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นบางทีมันเหมือนมันดีอะค่ะแต่พอปุ๊บนึงมันเปลี่ยนหนะ้ามือหลังมือหนูก็ง ง, ง ม, มันมเกิดอย่างมันไม่แน่นอนไงจิตเราตอนนี้ยังไม่แน่นอน ยังไม่สะเทือนแป่งไปเหมือนลูกข่างเราต้องพยายามใช้สติทําให้มันสะเทือนมีวิธีเพิ่มความเพียรยังไงก็เนี่ยเพียรตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเดืมตาขึ้นมาก็พูดโธพุดโธไปทำน้ำทำท่าล้างหน้าแปลงฟันรับประทานอาหารนีพุโทโธพุโทโธไปนนี่คือการทําความเพียรเนาะ พอใจ น, นะขอบพระคุณค่ะสาธุคุณทัศนสุนทัศนเนธอยากนนทบุรีเหมือนกันใช่ไหมหรือปทุมธ า, านีจากปทุมธานีเจ้าค่ะอาจารย์ระคะอาจารย์คะวันนี้หนูมีปัญหาเจ้าค่ะอะอยากจะกราบเรียนถามอาจารย์ค่ะอะช่วงนี้อที่ปทุมธานีโควิด19ระบาดค่อนข้างหนักเลยเจ้าค่ะ แล้วทีนี้คลินิกของลูกเนี่ยจะเป็นคลินิกที่มีตัดป่วยค่อนข้างเยอะมากค่ะในแต่ละครั้งบางครั้งอเจ้าของเจ้าของสัดจะนําสัตว์ป่วยมารอก่อนเปิดคลินิกบางวันมากกว่า20เคสเลยเจ้าค่ะลูกเราว่าสถานที่ของลูกเนี่ยจะเป็นที่แพร่ระบาดของโรคตอนนี้เลยตัดสินใจอยู่ว่าเราควรจะเปิดคลินิกหรือว่าจะปิดชั่วคราวค่ะ แต่ถ้าปิดชั่วคราวก็จะมีสัตว์ป่วยหรือเจ้าของสัตว์ที่เขาฐานการณ์ยังไม่ค่อยดีเดือดร้อนเป็นจํานวนมากของการชกค่ะลูกเลยตัดสินใจยังไม่ได้ว่าจะเอาอย่างไดดีประคับปรจานค่ะก็ต้องรักษาสุขภาพนก่อนแล้วเกิดเรามาเป็นมันก็ไม่สามารถที่จะไปรักษาก็าได้อยู่นีแล้วเกิดใครมาติดสักคนหนึ่งก็ต้องปิดอยู่นีค่ะตอนนี้ลูกเปิดคลินิกแบบว่าอ่า ให้ลูคลกค้ารอด้านนอกแล้วให้เจ้าหน้าที่นําปัดปรวยเข้ามาทีละเคสค่ะเข้ามาตรวจทีละเคสแต่วันทั้งวันจะมีคนมาใช้บริการแทย์ทั้งวันเลยโดยที่จะแทบจะไม่ได้หยุดพักเลยเจ้าค่ะยก<ำ>็ต้องรู้จักรู้จักแบงก่งเวลาบ้างถึงเวลาพักก็น้องขอพักก่อนแล้วประทานอาหารขอทำอะไรก่อนเราก็ต้องมีความสมดุลระหว่างการดูแลตัวเราเองกับการช่วยเหลือผู้อค่ะอาจารย์ ไม่เป็นการไม่ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวเลยเป็นการไม่มีความเมตตาการเราก็ต้องเมตตาตัวเราก่อนด้วยะเจ้าค่ไม่ใช่โมแต่เป็นเมตตาคนอื่นแล้วเราก็ไม่เมตตาตัวเราเองเนื่องจากเราเป็นอะไรไม่สบายขึ้นมาเจ้าค่ะระอาจารย์ค่ะห่วงคนไข้กลัวว่าเหมือนหมอปิดคลินิกนีลูกค้าแล้วไปที่อื่นเขาก็เจอแบบหนักๆทั้งนั้นเลยเจ้าค่ะพะอาจารย์ค่ะ ก็เอาหามาตรการที่ปลอดภัยอย่างที่หมอทำก็น่าจะโอเคเข้ามาทีละลายทีละลายค่ะแล้วพวกที่อยู่ข้างนอกนอ ก, ก็เช็คระยะหางกันใหญ่อยูอย่ใกล้กันค่ะคุนผามันมากจะหนุูตกใจเลยเจ้าค่ะพอเปิดคลินิกคนก็ามายืนเต็มไปหมดเลยคะ่ะอยู่ข้างนอกร้านอยู่ตามจุดๆเลยคะ่ะเจา้าค่ะพยาบาลค่ะเราต้องมีมาตรการให้มีที่ล้าง ม, มือน้ำยาล้าง ม, มือสวมหน้ากากค่ะ ก็น่าจะปลอดภัยสวมหน้า ก, กไว้ตลอดเวลาเวลาที่คนที่เราไม่รู้จักเข้ามาคือทำที่ดีถ้าไม่ไม่จาเป็นต้องให้คนเข้ามาก็ให้แต่สัตว์เข้ามาไดนน้คน<ำ>เราไปนั่งรอข้างนอกก็ได้ตอนนั้นทาตอนนี้ทำอย่างที่พระอาจารย์กล่าวอยู่จ้าค่ะโมเคว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็ลองปิดสักพักหนึ่งก็ได้ดูการปลอดภัย ค่ะถ้าปิดก็ถือโอกาสจะได้มีเวลาปฏิบัติด้วยเจ้าค่ะอ่าทีเหตุการณ์บางครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวหรอกแล้ด้ความเมตตาก็ต้องเมตตาตัวเองก่อนห้ามสุกิโตโหมินตัวหนูเองไม่ได้เดือดร้อนเจ้าค่ะพราค่ะเพราะว่าก็อ่า อ่าช่วงปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ได้ใช้เงินพุ่มเปื้ยก็มีเงินเก็บพอที่จะอยู่ได้แบบสบายเจ้าค่ะแต่หวงสัตว์จะพงเจ้าของสัตว์ค่ะเราหนูได้ฉีดยาหรือยงังถูฉีดครบหมดแล้วค่ะอาจารย์ได้ฉีดก็น่าจะโอเคอคนยังไม่เป็นปัญหาเลยค่ะขอบคุณพระจารย์มาเลยเจ้าค่ ะ, ะเดี๋ยวหนจะลองทำดูค่ะก็ดูกําลังของเร า, เราก็รันว่าเราทําได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ทําไปตามกําลังเนี่าหักโหม จนกรล่างจนกนล่างเราไม่เจ็บไข้ได้ปวยกแล้วกันคะ่ะอาจารย์คะขอบพ ร, ระคุณสมากจ้าค่ะภาษาตัจ๋าัคุณไอโฟนสมศักด์ไอนสมั์อยู่ที่ไหนครับกับน้ำมัสการครับอาจารย์ครั บ, าารรบผมอยู่สมุทรสาครครับอาจารย์ครับมีคำถามไดไหม ครับ<嗯>กเ็เคยได้อ่านทางเฟซบุ๊กของพระอาจารย์ว่าเรื่องเกี่ยวกับการบริจา克ร่างกายบริจาควิทยวาวะต่างๆ เ, เคยทราบว่าพระอาจารย์บอกว่าถ้าการบริจาคอย่างนั้นเนี่ยเ อ, อในเวลาที่เราเสียชีวิตแล้วมันไปอะเราเราก็จะไ ด, ได้ได้บุญในระดับเดียวเดียวซึ่งมันไม่ไมันไม่มากจริงๆหรือไม่ครับคือไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรา เราเราได้ให้อะไรไปกับใครบ้างเพราะตอนที่เราตายไปแล้วเราต้องให้ตอนที่เราอยู่เช่นลอยจากตาไปข้างหนึง่งอะไรลอยจากายไปข้างนีง้เราจะเห็นรู้ทันทีเราจะเห็นทันทีเราจะเกิดความรู้สึกมีความสุขใจขึ้นมาจากการที่เราได้เสียสละช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันับแต่ว่าตันเราตายไปนี่เราไม่รู้แล้วว่าร่างกายของเราก็จะไปทําอะไรบ้างแต่มันเป็นเจตนาที่เรายังมีชีวิตอยู่ไงครับว่า เราเนี่ยอยากจะจะบริจาคหลังจากที่เราเส้นไปแล้วเพราะว่าจริงๆถ้าเอาเอาร่างกายเราไปเผามันก็ยังไม่เกิดประโยชน์แต่เจตนาณนเวลานี้ที่เรามีชีวิตอยู่นะครับ เ, เรามีเจตนานที่หลังจากนี้เราไปเนี่ยทุกสิ่งในร่างกายของเราเนี่ยย่อมเกิดประโยชน์แก่เพื่อนมวมนุษย์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่กระทำเป็นประจนะําณปัจจุบันนะครับพระอาจารย์คือผมเป็นผู้บริจาคโลหิตให้สภาอากาศชาติไทยเป็นประจํา มาหลายสิบปีนะครับอันเนี้ยผมค่าก็คงเข้าใจว่าผมคงจะได้บุญในส่วนนี้ ท, ทันทีในในเวลาณเวลานั้นเลยครับที่ที่เราบริจาคโลหิตไปนะครับอาจารย์ครับถูกต้องแต่ตอนที่คุณบริจาคร่างกายหลังจากที่คุณตายไปแล้วนี่คนรับนจนได้ไประโยชน์แต่คนคนให้ไม่ได้รับประโยชน์ครับแต่ให้นะับปัจจุบันที่เรายังมีสติสัมปชัญญะ เรายินดีที่จะให้โดยที่เราไม่ได้ยึดติดอร่างกายสังขารนี่เลยครับใช่ก็จะได้บุญได้ความสุขใจเช่นเราบริจากตายไปครึ่งข้างอย่างเนี้ครับโดบริอบอจากดวงตาไปข้างหนึ่งครับถ้าอย่างนี้เราจะได้บุญเราจะมีความรู้สึกสุขใจอิ่มใจภูมิใจขึ้นมาครับแต่ถ้าให้ตอนที่หลังจากที่เราตายไปแล้วนี่เราไม่รู้ว่าเข้าไปได้คนได้รับได้รับหรือไม้อย่างไรครับครับ แต่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ห้ามให้ให้ไม่ทำนะทาก็ดีแล้เวลาจากคุณตายเวลาถ้าคนที่เขาทาตามที่คุณสั่งไว้คนที่ป่วยก็จะได้รับการช่วยเหลือจากการใช้อวัยวะต่างๆของคณได้ครับก็ก็เจตนาบริสุทธิ์แต่ว่าจริงๆอ่านั่นนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วครับในปัจจุบันผมเองคิดว่า พูดถึงเรื่องในพบภูมิต่อไปเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีบุญบา ร, รมีเพียงพอหรือไม่นะครับพระอาจารย์เพราะปัจจุบันก็พยายามปฏิบัติพยายามที่จะดูตัวเองตลอดเวลานะครับว่าในพบต่อไปผมไม่อยากเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่อยากเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาหรือไม่อยากตกนรกทั้งสิน้นจึงพยายามเพียรปฏิบัติในในปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคงขึ้นอยู่กับบุญบา ร, รมีที่ที่เราสะสมมานะครับว่ามันจะเพียงพอหรือไม่ กับการที่เราจะไม่ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไปครับอาจารย์ครับคือเรายังสะสมได้ในภพนี้ไม่ต้องไม่ต้องกังวลกับว่าเขาเขาที่เราสะสมมามากน้อยเท่าไหร่มันสําคัญที่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีที่สุดที่เราสามารถสะสมบุญได้อย่างเต็มที่เลยเพราะเรามีผู้สนับสนุนคือพระพุพะทธธรรมประสงค์คอยสั่คอยสอนคอยให้กําลังใจเราอยู่ขณะนี้ พระบุตรเจ้าทรงปยากรเลยถ้าใครพยายามสะสมบุญระดับสติได้เนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้ภายในเจ็ดวันไม่เจ็ดเดือนไม่เจ็ดปีไม่ต้องรอไปพบนาชานาเนีมาฝึกสติมาปฏิบัติสติกันเถิดนะครับน่าจะไปในวันศิลป์ก็ก็มีอยู่หน้าทางก็มีอยู่นะแต่สิ่งที่เราขาดกันมากเกิดสตินี่ครับครับกลับขอบพระคุณครับอาจารย์ ปัจจุบัน<ม>ปัจจุบันก็พยายามนะครับพยายามที่จ ะ, ะสํารวมงกายวิจาให้เรียบร้อยนะครับชัวศีล<ม>ก็พย า, ายามรักษาอยู่ให้มันมันดีที่สุดแต่บางครั้งบางคราวมก็มีการหลุดไปบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อหลุดไปแล้วเราก็ยังมีรู้ครับมีมีโอกาสรู้ได้เร็วขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาว่าณเวลานั้นเรามีความรู้สึกโกรธมีความรู้สึกมีความอยากอะไรอย่างเงี้ยในในช่วงนั้นมันน่า ยังเป็นสติใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แต่สติที่ช้าไปสติที่เร็วมันจะรังับไม่ก่อนที่มันจะแสดงขึ้นมาครับครับก็คงต้องฝึกต่อไปนะครับต้องฝึกให้สติเร็วขึ้นให้การแม่อารมณ์ต่างเกิดขึ้นมาได้เลยครับทำได้พยายามพุทโธพุทโธไป เ, เรื่อยๆพยายามบางังคับให้จิตอยู่ในปัจจุบันก็ปัจจุบันก็ เราทําการค้านะครับพระาอาจารย์ครัผมทําการค้าอยู่ก็ต้องพบปะผู้คนเยอะแยะเราอยู่ในสังคมก็ค่อนข้างเยอะอะครับแต่ก็หนีไม่พ้นบางครั้งอารมณ์มันก็จะเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ก็พยายามควบคุยยมและให้รู้ทันมันรู้เท่าทันมันนะครับรด้ครับขั บ, บขคุณครับอาจารย์ครับคุณวนทาเชิญคุณวนทาครับอยู่ชียงใหมยังไม่ได้อยู่ที่กรุเทพ กรับนมสการค่ะได้ยินไหคะได้ยินได้ยินอยู่ที่ไหนอ ย, อยู่ชลบุรีค่ะพระจามีคาถามหมไม่มีข่าวันนี้เข้ามาฟังทำค่ะกัะเบเพื่อนๆค่ะเอ่อยานีอไปที่ท่านตอไปเลยนะคุณชนดาคุณนดานมส ก, การค่ะอยู่ที่ไหน อ่านหยุดสมุดปากาค่ะเคยได้ถามไหมยังยังไม่ได้ถามวันนี้ยังไม่ได้ถามค่ะเชื่อไหมคะค่ะพ อ, อ, อ, อะดีว่าครั้งที่แล้วคุยเรื่องได้ได้ถามท่านถึงว่าเวลาที่นอนฝันเราก็แบบหอบขึ้นไปข้างบนเราก็ไม่กล้าทะลุขึ้นไปข้างบนเพราะว่ากลัวตายใช่ไหมจ๊ะพ อ, อมาในในคราวนี้เนี่ยก็ฝัน ว่าจะถูกยิงแล้วก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าคือต้องไม่กลัวตายแล้วก็ก็เลยก็เลยบอกเขาไปเลยว่ายิงเลยไม่ไม่กลัวตายยิงยิงได้เลยก็ไม่ได้หลบก็แต่ว่าพระอาจารย์คะในฝันก็ยังรู้สึกว่าก็ยังก็ยังรู้อยู่ยังกลัวอยู่ ม, ม, นะมีม่ประโยชน์อะไรนะมันมีประโยชน์อะไรไหมคะก็มันมี มีประโยชน์ถ้าเรามาใช้กับความจริงเวลาเราตื่นถ้าเกิดมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้เขายิงไปเลยแล้วก็เฉยๆไปค่ะเราอย่างสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ <S <S ยค่ะก็ปล่อยติด<ย>ไปเล ย, ยถ้ามันจะติดก็ปล่อยมันติดไปเลย <activate> คือไม่ได้อยากให้มันติดแต่ถ้ามันจะติดก็ <S 2> <S 2> <S 2> <ต>ถ่าถ้ามันไม่ได้ก็ปล่อยให้มันอตาย ค่ะก็ไม่ได้ระวังตัวอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ก็ระวังตัวระวังตัวให้ดีค่ะพราะค่ะแต่ว่าไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวค่ะท่านแล้วก็เหมือนกับก็รอให้จังหวะถ้าวัคซีนมันมาได้เราได้จังหวะฉีดก็ฉีดแต่ว่าไม่ไปยี่ลนที่จะต้องรีบไปฉีดก่อนไทยอะไรยเงี้ยค่ะได้ในตอนนี้ค่ะค่ะตอนนี้เราเองเรากรักษาตัวเองได้ป้องกันได้ค่ะค่ะ แล้วอืมโยมก็ยังมีความสงสัยอยู่นะเจ้าค่ะว่าเออถ้าถ้าคือในในทุกอย่างในโลกเนี้ยมันต้องเสื่อมสลายไปอยู่แล้วอะ่ะไม่ไม่ว่าจะเป็นเออคนก็คนก็ดีหรือว่าเป็นสัตสิ่งก็ดีอะไรเงี้ยแล้เราอืมเราต้องเราต้องเพียร ในหลายๆเรื่องอย่างเนี้ยมันเพียนไปเพื่ออะไรอ่ะคะพอาจารย์คือเราเพียนเพื่อจะได้ไม่กลับมาเกิดในโลกนี้ในรอบหนเพราโลกนี้เป็นเหมือนกับโลกของของตรอนใช่แล้วก็เป็นโลกที่ทําให้เราทุกข์กันพอไม่มาเกิดแล้วความทุกข์ต่างๆที่เรามีกันในโลกนี้ก็จะไม่มีต่อไปเข้าใจไหม เข้าใจอ่ะค่ะแต่แต่โยมได้ยินผอาจารย์อยู่นะคะได้ยินนะคะพูดได้เลยท่านผ้าจาย์ครับพอดีว่าตอนคือโยมก็ใส่บัตรทุกวันพหัสนะคะพอดีฝากพี่เอ๋ค่ะที่อยู่ตรงบ้านหลงนึงนะคะได้วันวันวันละหนึ่งถาดคือวันพัสพุ์ัสดุ์ละหนึ่งถาดก็คือถวายพรุ่งนี้แล้วก็ชื่ออะไรใช่ค่ะพุ่งนี้จะ ชื่อชนะจ่าค่ะพรุ่งนี้จะเป็นแซนด์วิชทูน่าค่ะพระอาจารย์คือทุกวันนะฮะนี่ตะวายแล้วก็หยกหยาทเดหยยาที่เล็ดแล้วก็เอ่อยมฟังพระอาจารย์ทุกวันเกือบจะทุกวันพุธเลยค่ะแต่เพียงแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้ามาค่ะก็คือยมยมจะติดตามตลอดค่ะ เดค่ะแต่ว่าคาถามคาถามไม่ค่อยมีเพราะว่าเวลาฟังท่านพระอาจารย์พระอาจารย์จะค่ะให้ก็ใจไปค่อนข้างอยู่เยอะเยอะอยู่ค่ะเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองยังปฏิบัติได้ไม่เยอะมากก็เลยอาจจะรู้สึกว่าน่าจะละอายตรงเนี้นะคะที่บอกปฏิบัติได้อไม่ต้องละอายอเป็นธรรมดาพวกเราทุกคนก็เหมือ น, น, นเด็ก หัดเดินหัดยืนหัก็ยังต้องร้องลูกค้าไปก่อนค่ะแต่ในคําสอนของท่านอาจารย์นี้เข้าใจหมดเลยค่ะที่ที่สองค่ะคอยพยายามปฏิบัติไปทีเดียวก็แล้วกันแต่ยอมแพ้อย่าหยุดนะได้มากได้น้อยไม่สําคัญคอยได้ผลตบแทนอ่าทุกค่ะค่ะโยมก็เลยกลับเรียนเท่าเนี้นะคะสาธุโมทนาอยวคุณที่จะรอชันวิจเขียวละ อ่คุณวาเลสต์จ้าเชิญคุณวาเลสต์ครับารปฏิบตรการของหลวงพอ่อเอ่ออิทธิบาทสี่กับพละห้านี่มันใช้แตกต่างกันอะไรยังไงครับมันก็เป็นธรรมใกล้เคียงนะบาทีพระเจ้าจะแสดงสี่ บ, า, า, ง 4, บางบาทีก็สแสดงอ่าแต่เป็นมากทั้งนั้นอ๋อครับคล้ายกันเป็นที่เป็นเกียสติสมาธิปัญญาและความเพียร อแต่ว่าพละราห้าท่านเต่มศรัทธาเข้าไปตัวเลยแต่ที่บาศีนี่ถ้าหมายความไ ม, ไม่คือหมายความว่าต้องมีศรัทธาแล้วถึงจะเกิดความขยันหมั่นเียขึ้นม า, กนมาเกิดวิริยะศรัทธากับฉันทะคล้ า, ายกันไหมครับฉันทะฉันทะคือความยินดีศรัทธาก็ฉันทะมันต้องเกิดจากการมีศรัทธาก่อน พอเรามีศทธาในพระพุทธพระธรรมพรสองฆ์เราก็จะมีความยินดีที่จะปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมประอสองค์อ๋อครับอืมการอยู่ใกล้กับธรรมชาติทำให้จิตใจมันอ่อนลงด้วยเกี่ยวไหมครับหลวงพ่อเกี่ยวเพราะธรรมชาตินี้มันไม่ได้มันเป็นกลางมันไม่ได้เปน ม, มาตัวสนับสนุนกิเลตนะันหาให้แข็งให้เกิดแข็งก็ได้อ้โครับช่วงนี้ผมเชม่าทํามะค้อนหนึ่งเลยเท้าเปื่อน ล้างง่ายใจเปื้อนล้างยากครับรู้สึกมันปิดใจมากเลยกับข้อนี้อนน อ, นนอันนี้เป็นคําสอนของน้องต า, งตามีคนใส่บาตรแล้วเขาไม่ยอมถอดรองเท้าเขากลัวเท้าจะเปื้อนเพราะเลยไม่ถอดร อ, อ, องเท้าใส่บาตรน้องตา ก, ก็เลยบอกว่ า, ทาวเท้าเปื้อนมันล้างง่ายนะแต่ใจเปื้อนมันล้างยากอใจเปื้อนก็คือกิเลสเนี่ยกิเลสคือความไม่ยอมเสียสละทําบุญแล้วยังไม่ยอมเสียสละยังกลัวเท้าเปื้อนเล็กน้อย ก็แบบก็เลยพยายามทุกวันนี้ก็อยากพยายามรักษาใจให้ใจมันค่อยๆล้างไปให้ใจมันน่านล้างอาจจะเป็นกิเลสถือตัวกนาดคนบงคนใส่รองเท้าว่าถือตัวถือพนนังสวยนั่งามอะต่างๆถ้าถอดรองเท้าเนี่ยวเท้าเปื่อนทุกวันนี้ก็พยายามล้างใจตัวเองไปทุกๆวันครับเหมือนที่ตัวเองต้องกินข้าวเขาไม่อารมณ์เดียวกันเหมือนเรากิน เราจะเป็นต้องกินข้าวเราก็เป็นเราก็จาเป็นที่จะต้องล้างใจอย่างนี้ใช่ใชครับการทำการล้างใจก็เป็นการให้อาหารแก่ใจนี่แหละมันจะทําให้ใจมีความอิ่มเอม่อมีความสุขยิ่งสาเท่าไหรความสุขความอิ่มเอ่อก็จะมีมากขึ้นไปเท่านั้นปาถูกครับโอเคนะเดี๋ยวทำไมคุณเก่งต่อเลยคุณเก่งอยู่ที่ไหนเก่งใช่เปนดไม้ก่อน ไปได้ไหมอ่าไปได้ปกติอยู่ที่ไหนออยู่ที่กรุงเทพครับเขาพูดใกล้ๆหน่อยนะมันเสียงค่อยหน่อยอยู่ที่กรุงเทพมหานครอ่าจะยินจะ้นทร์เลยนะมีคถามไหมเออจริงๆเข้ามาฟังพระธรรมของพระอาจารย์นะครับผมเพราะว่าเพิ่มใส่แล้วก็ศรัทธาพระอาจารย์นะ แล้วก็นําคําสั่งสอนพระอาจารย์ไปไปปฏิบัตินะครับ hmm. เอเปัจจุบันที่ที่ที่ทําอยู่ครับพระอาจารย์คือผมก็จะผมก็เหมือนจะเ อ, อพยายามดูจิตใจตัวเองนะครับในระหว่างการทํางานอะไ ร, ะรอย่างเช่นพอมีสภาวะเกี่ยวกับเอกิเลสความโมโหความโกรธความหลงความอยากอะไรขึ้นมาเหมือนเหมือนพยายามพอมีสติเพื่อมา กับเอ๊ะมันมันมันเห็นสภาวะนี้นะแต่ว่าบางทีเราเหมือนกับมันช้าไปหน่อยอะครับผมแล้วก็บางทีเหมือนเห็นแต่ว่าเหมือนแบบจับจับหยุดเขาไม่ทำนะครับแต่ก็เห็นอยู่อะครับผมเพราะว่าเราเราไม่ได้ไปคุมคุมต้นเหตุของความโกรธเนี่ยเราต้องไปกาจัดตัวต้นเหตุของความโกรธหรือ<ห>ความอยากต่างๆความอยากต่างๆ อย่าประหยัดเพราะเวลาอระหยัดไม่ได้นะมันจะกรอใชนะหครับก็พยายามพยายามฝึกปฏิบัติให้ให้ให้ให้เห็นให้เห็นพวกกิเลสเหล่าเนี้ไปบ่อยครับแต่ว่าก็ก็ก็คือก็ดีขึ้นนะครับพอเห็นแล้วมันก็หยุดหยุดที่จะจะไม่ให้มันไหลไปต่อนะครับได้ครับโอเคไม่มีแล้ใช่ไหมมีไหมไม่มีครับผมขอบคุณพระใจมากเลยครับราตรี ขาคุณพิมพิพดิาจาก Virginia, USA. เวอริเนียเสป็นยังไงกลับนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์สวัยดีค่ะพระอาจารย์หนูก็ยังภาวนาอยู่ทุกวันค่ะช่วงนี้แบบสติก็พยายามฝึกสติอะค่ะก็รู้สึกว่าแบบบางช่วงเนี่ยมีมีความสวขจิตเหมือนกระเพื่อมด้วยความมีความขุ่นเคืองหรือว่าแบบปฏิกายอย่างเงี้ยค่ะคือแต่พอรู้ตัวเนี่ยก็พยายามไปนั่งสมาธิเลยอะค่ะ แล้วก็พอมันสงบไปมันก็รู้สึว่าเบาไปค่ะแล้วพอออกมาจากสมาธิหนูก็พยายามพิจารณาว่าเนี่ยคือที่เราที่เราใช่ค่ะที่เราขืนเครืองคือเหมือนกับเราเราคิดว่าเราอ่ะเรามาตรฐานเราไป็วัดคนอื่นคือคิดว่าเราเหมือนดีที่สุดแล้วอยากให้คนอื่นคิดเหมือนเราคือถ้าคนอื่นคิดไม่เหมือนเราเราก็แบบเหมือนมีความกระเพื่อมอย่างนี้ค่ะถูกต้องก็มีปัญญาแล้ที่ต่อไปพยายามอย่าไปอยากให้คนอื่นตเป็นเหมือนเราค่ะพระอาจารย์ค่ะ เราเป็นกล้วยแล้วเป็นส้มเราเป็นอย่างยาดให้กล้วยมาเป็นส้มนะช่ไหมเราเป็นกล้วยส้มก็ต้องเป็นส้มค่ะค่ะพระอาจารย์ดีดีถูกต้องวิธีแก้ก็ถูกต้องแต่ถ้าแก้ด้วยปัญญาได้เลยก็จะไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ค่ะพระอาจารย์ได่ถ้า<อ>ถ้ามันยังกําลังไม่พออะก็ต้องนั่งสมาธ่ทําใจให้สงบก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาทางปัญญาเพื่อป้องกันข่าวต่อไป ค่ะค่ะพอาจารย์กาว่าคุณพระาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะเมื่อกี้มีคุณไมเคิลเบิร์ตเข้ามาไม่นก็จะพูดรือบบประชาธิปไตมเค้าเปกปิดปิดปิดปิดปิดปิดปิดปิปิดปิดปิอปิดปิดดปิดปิดปิดปิดปิดปิดปิดปปิิป สวัสดีค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่ไหนเทพค่ะขึ้นเทปนะอ่ามีคำถามไหมีมคําถามค่ะพระอาจารย์คือหนูก็พยายามนั่งสมาธิเท่าที่เวลาจะมีค่ะก็จะเป็นช่วงเช้าของวันอื่นมาตอนเช้าทีนี้เออ่ด้วยความที่เวลาทํางานก็จิตใจไม่ค่อยสงบ ก, ก็พยายามที่จะนั่งให้ใจสงบทีนี้ หนูไม่แน่ใจว่าอุบายที่หนูคิดก็คือว่าพยายามนั่งแล้วทิ้งไปนานๆมากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยคิดว่าถ้าเกิดเราอ่ะออจากโลกนี้ไปแล้วนี่เราก็จะน่าจะไปอยู่ในสาภาวะแบบนี้เพื่อที่เพื่อที่จะทำให้เราไม่ต้องไม่ต้องมีจิตที่กวัก่นไหวเพื่อเพื่อให้เรากลับมาเกิดอีกเนี้ยหนูไม่แน่ใจว่าหนูคิดอนี้มันจะถูกหรือเปล่าค่ะ ถูกแต่การที่ไม่กลับมาเกิดนี่เราต้องตัดความอยากขึ้นมาให้หมดไปจากใจขอเราคือหนูก็ไม่แน่ใจว่ามันจะจะตัดความอยากได้หรือเปล่าแต่หนูอาศัยว่าถ้าเราจะพยายามอยู่กับจับความสงบแล้วเราไม่ออกมาเลยอย่างเงี้ยเหมือนนั่งแล้วถ้าเกิดเราเสียชีวิตไปเราก็ไปอยู่กับสถานะแบบนี้คือคือมันมันจะไม่สงบแบบถ้าวมนนั่นแหละมันสงบได้ในระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะถอนออกมา ต้องใช้ปัญญาตัดความอยากให้หมดไปมันถึงจะสงบได้อย่างถาวรปัญญาหนูก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถหาอุบายที่จะตัดได้บางทีหนูก็ทำได้บางทีก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเองอยู่กับทางโลกอะค่ะนั่นแหละก็ยังถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่ก็ยังต้องกลับมาเกิดอย่างเนี้่ย<ะ>ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลตอนนี้ให้มันใจลไปตอนนี้ทําใจให้สงบมากๆไปก่อนแล้วค่ะ เราจะไปหาไปทางปัญญาต่อไปแต่เวลานั่งสมาธิ น, น, นานๆอย่างเงี้ยอย่างอย่างนางางนะเวลานี้ถ้าเรานึกคือนั่งนั่งจนเราก็กําหนดจิตมันก็จะรู้สึกสงบในใจของเราอยู่ะคะ่ะมันเหมือนความรู้สึกเย็นใจเนี่ยแต่อยู่กับเราในเวลาเรานึกถึงความสงบอย่างนี้หนูไม่แน่ใจว่าพอจะก้าวหน้าบ้างไหยคะอาจารย์ก้าวหน้าก้าวหน้าเพงแต่ว่ามันยังไม่สงบอย่างตอนนี้อย่างถาวร น, นั่นหองมันยังกระดับเกิดดับอยู่ ต้องทำให้มันสงบอย่างถ้ามอนไม่เสือมต้องใช้ปัญญาสติอย่างเดียวไม่พอยังไงหนูจะพยายามฟังถามึ้นหนูว่าพยายามให้ตัวเองอะ่ะมีปัญญาโดยการที่เปิดธรรมะครูบาอาจารย์ฟังทุกวันอย่างเงี้ยคะ่ะก็คิ ด, ดต้อตยังยังตัดกิเลสไม่ได้เลยค่ะ <laughs> อ่าก็ต้องคอยเอาที่เรตัว เช่นเรอยากจะซื้อเสื้อผ้าชิ้นใหม่ก็ใช้ปัญญามาถามตัวเองว่าจำเป็นต้องซื้อไหมของเก่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่าถ้าใช้ได้ก็ไม่ต้องไปซื้อมันยนย่ี้ซื้อแล้เสียายเงินทองเงินทองมันจะต้องหมดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเดือดอาจจะเดินนอนได้ถ้าเงินทองไม่พอใช้<ะ>ใช้ปัญญาสอนใจใคอยควบคุมความอยากกาจัดความอยากที่ไม่จําเป็นไปก่อนก็แล้วแต่ จะพ ย, <S 2> <S 2> ยายามฟังทำจะกำจัดถัดในงานอันนี้ก่นนะครัขอบพระ okay. คุณค่ะคุณคุณกัฟฟี่กัฟเชินตาคุณกาฟฟี่ฝกใครด้วยนะต้องวันีมีขาประจําใครเข้ามาฟังธรรมันเขาอยู่เป็นประจําวันนี้มีพันธุยาเป็นคนไทยแล้วก็สนใจธรรมะเชอามาถามปัญหาอยู่ด้วย มาฟังครับอาจารย์ยังไม่มีปัญหาครับเพราะยังไม่ค่อยได้ภาวนาเดี๋ยวรอวันพระครับภาวนาแล้วก็ไปฝากเพื่อนไปใส่บาตรอาจารย์ครับได้เดินไปที่ท่านต่อไปคุณพิทักษ์คุณพิทักษ์เชิญอยู่ที่ไหนกับนวัสการครับอาจารย์ยูดอนธานีครับอาจารย์ครับมีคำถามไหมมีครับอาจารย์อ่าคือ เหมือนบางบางเหตุการณ์ใช่ไหมครับป้จาจย์เหมือนกับว่าเราเราคาดการเราคิดไว้ล่วงหน้านะครับอย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราวางแผนจะทําสิ่งนี้ก่อนเป็นระดับแรกต่อไปเราจะทําอันดับนี้อันดับนี้เป็นขั้นเป็นตอนนะครับตามที่เราคิดไว้แต่ทีนี้พอวันต่อมาเราจะทำตามสิ่งที่เราคิดแล้วมันมันไม่เตรียมตามที่เราคิดไว้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมเจอกับตัวตัวผมเองมันก็เลยเกิดความ ความคิดที่ว่าบอกกับตัวเองว่าทําไมเราต้องไปคิดล่วงหน้าถ้ามันมันไม่ได้ตามที่คิดมันก็ทําให้เราไม่ได้ตามที่เราหวังพอวันต่อมาก็เลยเลิกคิดที่จะวางแผนไอ้พวกอย่างนี้ล่วงหน้าไว้เลยพอไปเจอเหตุการณ์เราก็ค่อยคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนั้นไปอย่างนี้นะครับแบบนี้มันเรียกว่าเราทําทําให้มันเป็นปัจจุบันหรือเปล่าค ร, รับอาจารย์ ไม่เป็นหรอกความจริงอนาคตเราต้องชิดแต่ว่าเราจะไปยึดกับมันท่นนี้คิดเผื่อไว้คิดว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้น้ําท่วมเราเราทํำยังไงถ้าเราจะรู้ว่าพรุ่งนี้น้ําท่วมเราได้เตรียมเตรียมขนข้าวของขึ้นที่สูงก่อนที่ทำได้แล้วถ้าเกิดมันไม่เป็นก็ไม่ต้องไปเสียใจเพราะมันไม่ท่วม ก, ก็อย่างน้อยเราก็ไม่ประมาทไม่ท่วมก็ดีท่วมกด็ดีอย่างนีตง้ต้องคิดอย่างนี้ต้อง คิดต้องคิดเผื่อไว้เผื่อแก้ปัญหาป้องกันปัญหาอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ประมาท่วนการคิดในปัจจุบันนี้หมายถึงว่าเราไม่คิดอะไรเลยเราเราดูงานที่เรากำลังทำอยู่อย่างเดียวเช่นตอนนี้เรากําลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินอย่าไปคิดถึงเมื่อวานนี้คิดถึงพรุ่งนี้ให้อยู่กับการเดินอย่างเดียวอาบน้ําก็ให้อยู่กับการอาบน้ําอย่างเดียวอยันนี้เรียกว่าเป็นการฝึกสติ แ ต, แต่ไม่ให้ทำอย่างนี้ไปตลอดมาถึงขังรร้นปัญญาเราก็ต้องคิดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งทั้งทั้งปัจจุบันให้มันรอบครอบเน้นน่าแต่ว่าเราอยู่ขั้นไหนของการปฏิบัติถ้าอยู่ขั้นฝึกสติแล้วก็ไม่คิดเลยแต่พอขัรร้นปัญญาเราก็ต้องคิดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อะไรจะเกิดพ่ะเจ้าบอร่างกายต้มันต้องแก่ลงไปเรื่อยๆต้องเจ็บต้องตายอย่างนี้เราต้องคิดมัน่อจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ได้ เข้าใจไหมผมอมันต้องยรู้จากแยกแยะว่าการปฏิบัติของเราเราเราปฏิเราต้องการปฏิบัติอะไรในช่วงนี้ถ้าเาต้องการฝึกสติเราก็ไม่คิดแต่ถ้าเราต้องการฝึกปัญญาเราต้องคิดไล้ล่วงหน้าก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์นนะั้นไม่ใช่ใจเราต้องทุกข์กับมัครับผมพอจะเข้าใจแล้วนะเนะข้าใจแล้วครับโอเค กลับขอบคุณครับอาจารย์ที่ว่าทุกท่านได้ถามคำถามหมดแล้วนก็ขอไปที่คุณลาคำถามที่มาจากทางเฟซบุ๊กบ้างมันจะมีเท่าไวันนี้อ๋อวันนี้มีทั้งหมดเก้าคำถามเจ้าค่ะเชิญเลยคำถามแรกจากคุณชาติชายขอน้อมกราบครูบาอาจารย์ผมอยากขอเรียนถามปัญหาเกี่ยวกับการทำสมาธิและขณะตั้งใจละลึกพุทธโธคือ จะมีความคิดอกุศลมาแทรกตลอดและความคิดอกุศลนี้เราไม่ได้ตั้งใจคิดมันจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกมันเป็นทิเลสนะมันเป็นเหมือนกับเป็นความฟุ้งซ่านอย่าไปสนใจให้พยายามอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปมันจะคิดอะไรอกุศลมไม่อกุศลไม่ทำไปสนใจถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปได้อย่างแน่นๆต่อไปมันก็จะหายเอง คำถามต่อไปจากคุณนงนุษก์รับนิมัสการพระอาจารย์ค่ะขอเรียนถามค่ะการที่เราบอกบุญชักชวนคนมาทําบุญต่างๆส่วนไปปฏิบัติธรรมจะได้บุญด้วยไหมคะได้บุญแตเ่เป็นบุญคนละอย่างกับบุญที่เขาที่รับชวนให้เขาไปทําเช่นเราชวนให้เขามาบริจาคเงินเขาได้ทานแต่เราไม่ได้เราไม่ได้บุญแบบเขาเพราะเราไม่ได้บริจาคเงิน เราเป็นแต่ เ, เสะพานยืนได้คำถามต่อไปจากคุณคนเวลาเดินจงกรมต้องภาวนาพุทโทธตลอดไหมครับน้า แ, แต่เราถ้าเราต้องการที่จะให้เราหยุดคิดแล้วถ้าเราเดินดูทางแล้วมันยังคิดอยู่ก็ต้องใช้พุทโทธแทนคำถามต่อไปจากคุณปูเป้เมื่อทําสมถะกรรมฐานทุกๆวัน จะรู้ได้อย่างไรว่าเราพร้อมสามารถทำวิปัสสนากรรมฐานได้แล้วครับความจริงมันก็ทำได้ตลอดเวลาวิปัสสนาเนี่ยเช่นให้น่าเื่อถึงความแก่ความเจ็บความตายอยเรื่อยๆนี่ก็เป็นวิปัสสนาลคำถามต่อไปจากคุณกิจธนากราบนมัสการพระอาจารย์ครับกระผมโกหกผิดศีลข้อสี่ สบากไหมครับและจะแก้อย่างไรครับบาจะแก้ก็คืออย่าพูดถ้าเราพูดความจริงไม่ได้ก็ บ, บุบปากไว้เฉยๆไว้คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณไทยช่วยไทยกราบนมัสการครับขอโอกาสครับความจําที่ถูกในอริยสัจสี่หรือสัญญาชนิดที่ถูกต้องจะอยู่ตลอดไปหรือไม่ครับหรือเป็นจังเช่นกันครับ สัญญามันมันไม่เทียมยาได้เหนียเดี๋ยวก็เรีนได้ถ้าเราไม่คิดหยุดเรื่ อ, อยๆมันก็เลยนพรจ้าทิ้งสอนให้เราละเลิกอยู่เรื่อยๆเช่นความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเนี่ยแล้วต้องละเลิกอยู่เรื่อยๆพรว่าเราไม่ไมต้องเลิกเดี๋ยวเราจะเลยเมเราจะคิดว่าเราจะอยู่ไปเทาตลอดคําถามต่อไปจากคุณสุวิมลกลาบนมัสการท่านพระอาจารย์ค่ะพอดีเมื่อสักคู่ น้องเก้าลูกชายอายุแปดขวบนั่งสมาธิฟังพระอาจารย์ได้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วรู้สึกว่าไม่มีร่างกายนิดหนึ่งเวลาสั้นๆแล้วรู้สึกว่าแขนขยับแต่จริงๆไม่ได้ขยับน้องอยากจะถามว่าอาการแบบนี้คืออะไรครับควรทำอย่างไรต่อไปครับก็ไม่ต้องสนใจมันเป็นอาการของจิตหลอกล่อเราเป็นมายา ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธให้อยู่กับการฟังธรรมไปเรื่อยๆคำถามต่อไปจากคุณวิญญ า, ากราพระอาจารย์ค่ะขอถามว่าถ้าเราปรวดถือศีลแปดอยู่ที่วัดแล้วตอนนั่งสมาธิใส่หูฟังพระสอนธรรมจากยู u ู e จะผิดไหมคะไม่ผิดหรอกการฟังธรรมก็เป็นวิธีฝึก น, นั่งสมาธิแบบหนึ่งเอ่ถ้า ถ้าจะให้ดีนั่งแล้วดูลมหายใจเขาออกได้จะดีกว่าแต่ถ้ายังนั่งไม่ได้ก็ฟังเอาฟังทำไปก่อนก็ได้ถ้ายังดูลมไม่ได้ถามสุดท้ายจากออผู้ไม่ประสงออกนามกับเรียนสอบฐานพระอาจารย์ในอดีตเคยทำให้ภรรยายเสียใจและไม่รู้ว่าอนาคตจะอยู่ด้วยกันต่อหรือเลิกลา จึงอยากขออุบายในการอยู่ต่อกับภรรยาอย่างมีความสุขหรือเลิกลากันไปอย่างมีความสุขลูกควรวางใจอย่างไรครับกลับนมัศการครับก็แล้วแต่เหตุการณ์ให้อยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยความชื่อสัตว์สุจริตด้วยความเมตตาแต่ถ้ามีเหตุการณ์ที่เราห้ามไม่ได้จะต้องแยกจากกันก็ยอมรับสภาพว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคนเราทุกคนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพักพกจากกันเป็นธรรมดา แล้วใจของเราก็จะมีความสุขทั้งขณะขณะอยู่ร่วมกันในขณะที่แยกออกจากกันเมื่อกี้มีคนชุดทิวัตใช่ไหมที่อยากจะถามต่อคุณชุดทิวัตเชิญได้ยินไหมได้ยินครับสมัสครับการแพทย์อยูที่ไหนมาจากที่ไหนอ๋อยังเรียนหนังสือครับอยู่ที่กรุงเทพครับมีคําถามเลยอะมีครับมีสามคำถามครับเชิญเอ่แตแต่ก่อนถามครับคือผมกลัวว่า ถ้าผมพูดอะไรไม่ไ ม, ไม่ดีออกไปรบกวนอาจารย์ช่วยบอกได้ไหมครับพราผมก็ไม่อยากประพฤติตัวไม่ดีในทางไม่ดีครับได้คูณเสือภาคว่าเราจะอย่าพูดคำหยาบครับขอบคุณมากครับคาถามข้อที่หนึ่งครับคือผมดูในช่องสองผีแล้วอาจารย์ลินี่บอกว่าให้อุทิศบุญให้เจ้าเกียรติสุดตาชีวิตเจ้ากายสังขารในทางพุทธมีใช่ไหมครับผมเคยบวชมาสองครั้งไม่เคยได้ยินครับแต่ไม่ได้นอาชี่ไม่ดีนะครับคือไมีดวงวิญญาณนะ โดยมีญาตของบุคคลต่างๆที่เราจะอุทิศให้ครับเอ่อข้อที่สองครับทำไมบทสวดอภัปปมัญญาภาวนาไม่มีการบอกให้บุญนี้ถึงโลกาตมหานารกต่อจากอโทโธยาวะอวิจิโตเบื้องล่างไปจนถึงอวิจิมหานารกคือสมันตาจักรวาลสุโดยรอบแห่งจักรวาลอยากทราบว่าทำไมไม่มีในบทสวดครับมันอที่คแต บาสวดนี่็นการแต่งขึ้นอยู่ที่คนแต่งไม่จะแต่งและมีหลายบทด้วยกันแล้วก็เลือกบทที่เราชอบแล้วแต่บทที่ไม่ได้ชอบเราก็ไม่ทอนสวดก็ได้ครับข้อที่สามครับผมบอกญาติผู้ใหญ่ว่าให้นึกถึงดอกบัวครับวันต่อมาเขาเสียถ้าจิตสุดท้ายเขาระลึกถึงดอกบัวดอกบัวเหล่าที่บานนี่สุดครับเขาจะไปสู่สุขติเ อ, อสู่สุขติภูมิสวรรค์ขั้นสูงๆไหมครับไม่หรอกอยู่ที่บคนที่เขาทำมากกว่า บุญที่เขาทำถ้าบุญต้องน้อยกว่าบาป ก, ก็ไปสุคติไม่ได้ถ้าบุญมากกว่าบาป ก, ก็จะไปสุคติได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมศรัทธาแล้วก็อยู่โอเคนี่ครับขอบคุณครับกลับน้องเซนตคุณชัญญาส่งข้อความเข้ามาไม่ทราบว่าอยากจะพูดหรือเปลผมไม่อยากเพรว่าไม่ได้เปิดวีดีโอถ้าอยากจะพูดก็ต้องเปิดเปิดวีดีโอ คุณชัญนยาเข้ามาแล้วเปิดไมค์ก่อนโอเคพูดได้แล้วเชิญนวมัสการค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่แคนาดาค่ ะ, ะเมืองอะไรอยู่บีค่ะบีซี i ิเทจ c คนาเบียเหรนคูเบอรอ์ใช่ไหมมานคูเบอร์รืเปล่าค่ะอยู่แบงคูเบอร์ไอแลนด์ค่ะมีคาถามอะไรห ไม่มีค่ะแต่หนูติดตามฟังพระอาจารย์มาได้สี่ห้าปีแล้วค่ะ อ, อยากไปกราบพ็ไม่ได้มีโอกาสพอดีวันนี้ลองเข้ามาดูะค่ะกราบตรงนี้เลยก็ได้เหมือนกันมนตรงนี้มนตรงนี้แล้วจากในนี้ก็เหมือนกันมาที่บ้านหนึ่งก็ตอนนี้ก็ถึงวันกราบได้เลยนะมีคำถามก็ถามได้เลยไม่มีค่ะไม่มีแล้หนูฟังพระอาจารย์ทุกวันเลยค่ะอาจารย์ ดีเค่ะ YouTube แล้วเรจะมาไปปฏิบัติด้วยนะต้องลดความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงนะพอดีหนูอยากอยากปฏิบัติเหมือนกันค่ะแต่ว่าหนูวุ่นวายกับลูกนิดนึงค่ะขอโทษด้วยนะคะเสียงดังค่ะไม่คําถามค่ะพอดีหนูเลี้ยงลูกสองคนแล้วลูกจะวุ่นวายแต่ว่าหนูชอบฟัง อ่า uh huh. YouTube ของอาจารย์ค่ะมันทําให้หนูแบบหายคิดถึงบ้านอย่เงี้ยค่ะดีดี่ก็ติดตามได้ทุกวันนะมีถ่ายทอดสดทุกวันเอาของเก่ามาถ่ายทอดสดหนูฟังอาจารย์ทุกเทปเลยค่ะ YouTube นี้คือฟังทุกเทปเลยค่ะได้ดีแล้วก็คือกาพูดก็เข้ามาได้นี่ทุกคือกพูดก็จะมีประสบ ก, กันวันนี้วันแรกที่หนูแบบลองลอ ง, ลองกดกดตามลิงก์นะคะเข้าไปแล้วก็ เกวหนูไม่ได้นั่งสมาธิอะไรหรอกค่ะผ้าจา์แต่ว่าที่ผ้าจานที่ที่ตอนต่อคือแบที่ที่ในยูทูบคือมันทำให้หนูแบบแบบว่ารู้สึกดีค่ะหนูชอบฟังผ้าจา์แบบเวลาเสียงผ้าจารนค่ะคือแบบแบบคือหนูต้องฟังทุกวันนะคะหนูหนูฟังมาได้ประมาณสามปี คือฟังทุกเทปอะค่ะที่พระอาจารย์สอนแล้วแบบหนูอยากเคยตั้งใจจะไปที่เมืองไทยจะไปกราบพระอาจารย์แต่ว่าเพราะว่าโควิดอะค่ะไม่ได้กลับบ้านค่ะไว้ให้มันปลอดภยัยก่อนก็แล้วกักนค่อยมาค่ะค่ะมีลูกเล็กด้วยค่ะไปไหนก็ลําบากไม่ได้นั่งสมบบาธิแต่ว่าหนูแบบส่วนมนต์ค่ะเกือบทุกวันทําไม่เหนื่อยมากค่ะแล้วหนูทํางานด้วยหนูก็เลยจะเหนื่อยนิดนึงค่ะก็ทําให้ดี <c ười> ที่สุดก็แล้วกันหน้นทาทำเท่าที่ทําได้ ใช่ขอขกับกับขอโทษค่ะพระอาจารย์หนูคงต้องไปแล้วค่ะลูกเสียงดังมากเลยค่ะได้ได้สาธุขอขอโทษทีค่ะตอนนี้ก็เปิดให้ใครอยากจะถามได้ยกมือแล้วก็เปิดไม้ได้เลยคุณบาราวิทเปิดหน้าคุณบารวิทเข้ามาที่หลังนะคุณบรวิทเชเลยเปิดเปิดไม้ได้เลยอ่า นมัสการครับพระอาจารย์อยู kind of ่ที่ไหนครับในเย็นอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่สมุดประการครับครับอาจารย์อะไรบ้าเวลาบริกรรมพุทโธเนี่ยต้องต้องให้พุทโธอยู่ที่กลางทรงอกนี่ถูกต้องไหมครับไม่ต้องให้ให้อยู่ที่อยู่ที่ตรงไหนก็ได้ให้ให้อยู่ที่สติให้รู้อยู่ประมาณเท่ากอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องอยู่ที่ทรงอกไม่ต้องอยู่ที่ร่างกายให้อยู่ในใจนั่นแหละ อ่าทีนี้อ่าอ า, อาทิตย์ที่แล้วผูาจาร์เคยแนะนําว่าเวลาทํางานให้มีสติอยู่กับการทํางานอย่างเงี้ยครับ<ม>ทีนี้ผมทํางานเกี่ยวกับวาดรูปครับช่างวาดรูปแล้วทีนี้เวลาวาดรูปเนี่ยสายตามันมันต้องต้องอยู่กับภาพภาพที่วาดแต่ว่าถ้าเราบริกรรมวุฒโธไปด้วยเนี้ยคือเราสับสนว่าเราต้องโฟกัสจุดไหน<ม>คือต้องโฟกัสจุดที่เราวาดภาพหรือว่าเรา โฟกัสตอนที่เราบริกรรมพุโทโธอยู่ข้างใน ถ, ถ้าเราทำอะไรก็ต้องโฟกัสอยู่ที่งานที่เราทำอย่างนี้เราต้องบริกรรมไปด้วยไหมครับถ้าใจไม่คิดอะไรก็ไม่ต้องบริกรรมก็ได้ถ้าใจคิดก็บริกรรมเพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าเราก็ต้องโฟกัสอยู่ฟก <Focus S 2> อยู่ที่งานที่เราทําเนำอย่างนี้อว่าการว่าการเป็นรูปผีขึ้นมาท่านจะเป็นรูปคนะ ต้องมีสติอยงานเป็นหลักขับรถก็ต้องให้อยู่กับการขับรถแต่เราสามารถขับรถแล้วก็มีพุโทโธสนับสนุนได้แต่ต้องต้องเอาการขับรถเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเป้าหมายแรกส่วนพุโทโธนี้เป็นตัวมาคอยสกัดความคิดต่างๆแม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับแล้วแล้วอย่างอันนี้จะเป็นประจำเลยครับอย่างสช่ว่าคือทํางานไปอย่างเงี้ย แต่สักพักก็จะคิดว่าเอ๊ะอีกกี่วันเราจะได้หยุดอีวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้อีกอีกกี่วันจะสิ้นเดือนอย่างนี้คืออันนี้คือไม่มีสติใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่ก็คิดเพื่อเจอเพื่อคิดพื่เจอขาดสติพอรู้ตัวก็หยุดมันใช้พุโทโธพุโทโธคือจะคิด ก, ก็คิดด้วยเห็นด้วยผลได้ท่านจะคิดอนานเขาจะต้องคิดแน่ๆ ม, มันมีเหตุมีผลครับคือ อาการที่เราจะรู้เนี่ยคือคือเราจะพูดกับตัวเองในเจว่าไอนี่เรารู้ว่าเราคิดแล้วนะเร า, นะ เ, ราเราต้องหยุดคิดอันนี้คือคืออาการที่เรารู้แล้วใช่ไหมฮะใช่แล้แล้วลว่าเราเราไม่ควรคิดนี้เราก็ต้องหยุดคิดคิดเท่าที่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นก็อย่าคิดครับอ่าแล้วก็เวลาเรื่องงานเนี่ยผม ผมกําลังฝึกว่าต้องต้องนั่งสมาธิทุกวันะตอนตอนเย็นอันนี้ก็เพิ่งเลิกมาทีนี้เวลานั่งเนี่ยถ้าเราสมมติว่าคือคือผมต้องเปิดพัดมตลอดอย่างเงี้ยถ้าถ้านั่งสมาธิแล้วก็เปิดพัดมเนี่ยการที่เปิดพัด ม, มมันมันเป็นการที่เราติดอะไรบางอย่างที่ต้องเปิดพัดลมไหมครับหถึงว่าถ้าเปิดดอะไรก็ติดละ เ, เ, เพราะว่ามันมันไม่เป็นธรรมชาติถ้ามันเป็นธรรมชาติก็ไม่ต้องมีอะไร ปลอให้มันธรรมชาติร้อนก็ปล่อยมันร้อนไปหนาวก็ปล่อยมันหนาวไปเย็นก็ปล่อยมันเย็นไปครับแต่ถ้าเรายังยังติดอยู่ในเ่ยมั่นต้นก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญอะไรมากดีกว่าไม่ได้นั่งเลถ้ามันถ้าไม่ได้เปิดพระนมก็ไม่ได้นั่งนั่งไม่ได้ก็เป it, ิดพรนมนั่งไปก่อนก็ได้แล้วต่อไปถ้าจิดแล้แข็งขึ้นแล้วอาจจะทับลมไม่ต้องเปิดพระนมอยู่แล้วนั่งแบบธรรมชาติต่อไปครับแล้วก็ ผมจะจับเวลาดูว่าตัวเองนั่งได้กี่กี่นาทีอะไรเงี้ยส่วนมากจะจำไม่เกินยี่สกว่านาทีอย่างเงี้ยคือคือจิตเรายังไม่มีสมาธิ<ส>พอใช่ไหมฮะสมาธิเรามีกำลังแค่ยี่สิบนาทีต้องฝึกสติให้มากขึ้นก่อนที่จะมานั่งเข้าพยามพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆตอนนี้ต่อไปก็จะนั่งได้นานขึ้นอครับก็ มีมีคำถามแค่นี้ครับาอาจารย์อเคส่วนสมยัยจะชอบสงสัยครับเพราะว่าพึ่งพึ่งทําครับได้ถามได้ครับแต่คําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ ก, ก็ถามได้เราก็คงจะถามไปที่ลเล็กๆน้อยครับไ ด, ได้โอเคนะสาธุาม<อ>รมราชการครับนี่กาอยากจะถามแม่เชนนกเหนือนแล้วก็มันเก่งเลยมันเก่งนกเหนื Okay. Okay. ก, การานมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับเออเราจะถัดในเรื่องของสี่ห้าครับเราจะสามารถรู้ได้ยังไงครับว่าสี่ห้าเราเราเราปฏิบัติอย่างครบถ้วนไม่พังก็เราไม่ทำเราไม่เราไม่เอ่อเราไม่เราไม่ถัดสินทาในการกระทําเช่นเราไม่ฆ่าสัตว์นี้เราไม่ลักทราบของคนอื่น เราไม่ประพฤติผิดตัวเนี่ก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีบรรญาของคน้หนื่อยเขาถ้าถ้าเป็นการการคิดอย่างอย่างเอ่อสี่ข้อที่สคิดนี้ยังยังไม่เป็นผิดท่านต้องมีการกระทําก่อนคิดอย่างเดียวไปชอบแพนของคน้เหนก็อยเขานี่ยไม่ผิดแต่ควรจะห้ามคิดควรจะสอนใจว่าอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่เาเนี้ยมีคนม<บ>ีสต<บ>ิห<บ>้ามใจห้ามความคิดว<บ>่าอย่าไปคิดอย่างนี้ คิดว่าเดี๋ยวมันก็จะทําให้เราบางทีห้ามใจไม่อยู่เดี๋ยวก็ไปทําผิดสิ่ข้อสามได้มันต้องคิดก่อนมันถึงจะไปทําผิดได้ครับเห็นของของคนอื่นอยากได้ก็ต้องหยุดนะบอกว่าไม่ใช่ของของเราถ้าไปเอาของเ ข, ข้ามานี่ก็ทำเราผิดสิ่งข้อสองนะแล้ว เ, เรื่องของสิ่งข้อที่สี่ครับเ อ, อรวมรว ม, รวมทั้งพูดเท็จพูดเพ้อเจ้อพูดคาอยากผูดสอบเสีย ในสีหน้านี่ก็เพียงแต่พูดเช่นอย่างเดียวนั่นเองแต่ถ้าต้องการพูดคำสุาพไม่พูดคำยาไม่พูดพระเจ้านี่ก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นเส้ขั้นสูงของนักบวชนักบวชนี้ก็จะไม่พูดพระเจ้าไม่พูดคำยาไม่พูดสาสีนแต่ถ้าเป็นผู้รักษาสีหน้าทั่วไปนี้ยังพูดได้ยังไม่ผิดสีแต่ไม่พูดได้ก็ดี คำหยาบนี้ยังไม่พูดได้กระเดยแต่บางครั้งมันยังห้ามอารมณ์ไม่อยู่ตรงที่ก็อาจจะพูดออกมาคำหยาบบ้างแไม่ถือว่าผิดศีลก็สี่ก็สี่นี้หมายถึงการไม่พูดปลดเพียงอย่างเดียวปวดนะครับเข้าใจครับขอบคุณพระอาจารย์้าเลยครับถ้าทำสิ่งใดล้วงเกินพระอาจารย์ไปด้วยกายวาจาใจถ้าคําเจ้ากระผมออมากรรมต่อ ถามอาจารย์ด้วยนะครับสาธุจ้ะสาธุาไปอยากจะถามได้ไหม ม, มีหนึ่งคำถาจากเ facebook เข้ามานะครับอเช่คาถามจากคุณแคลวเจ้าค่ะเวลาที่นั่งสมาธิคนรใช้เวลานั่งนานเท่าไหร่คะถึงจะเหมาะสมค่ะนั่งที่สุดท้าย น, นานได้เหมาะสมที่สุดเรานั่งได้เท่าไหร่ก็เอามันท่านั้นให้มันสุดๆ มันรถจะเหยียบมันให้เหยียบ ใ, ให้มันถึงพื้นเลยให้มันวิ่งเร็วเต็มที่เลยคำทั้มหมดแล้วเจ้าค่ะหมดแล้วเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีไม่มีไม่มีผลเสียแตนอย่างใดพยายามทำได้เท่าไหร่ทำไปให้เป็นเป็นกำลังความสามารถของเรามีใครอยากจะถามอามั้ย มีถ้ า, าใคร อ, อยากจะถามก็ยกมือแล้วก็เปิดไมค์ได้เลยถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะได้ยุติการประชมนะนะในนี้ให้เวลานัาง่งคิดกันก่อนอยากไอยากจะถามอะไรคุณ น, นนะันทพยกมือเหรเชิญด่านคุณใครก่อนคุณนันทพ ก, ก่อนนะครับประเด็นเดี๋ยคุณจัดการนะครับ คถ้าพระอาจารย์ขอรบ ก, กวนอีกรอบหนึ่งเจ้าขาพระอาจารย์ส<า>อบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะที่กับเรียนพระอาจารย์ก่อนหน้านี้ว่าจะมีการวางแผนว่าจะไม่ทํางานในที่สุดแล้วก็ไปอยู่ไ ป, ยไปอยู่วัดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ก็ติดภาระของคุณคุณพ่อคุณแม่ไว้กับเรียนถามพระอาจารย์อ่ออีกแง่หนี่งหนึ่งว่าสิ่งที่พิจรารณาก็คือว่าต้องไม่ให้พ่อแม่เขาเดือดร้อนด้วยใช่ไหมเจ้าขาพระอาจารย์ อ้าเขาต้องพึ่งพาสายเราเราก็ต้องหาทําให้เขาพึ่งเราได้ถึงแม้เราอาจจะไม่ได้อยู่กับเขาแต่เรามีเงินจ้างคนมาทําหน้าที่แทนเราอันนี้ก็ได้เหมือนกั น, <ร>นเราก็มาเยี่ยมเป็นพักๆเป็นข้างข่าวไปก็ได้นรื่องโทรศัพท์มาถางสาวน้ำทุกสุขเด็กก็ได้แตเรื่องการดูแลก็ฝากให้คนอื่นเขาดูแลแทนก็ได้ค่ะเพราะว่า ก็อย่างที่เคยกล่าวเดี๋ยวนี้อาจารย์ก่อนหน้านี้คือความความรู้สึกอยากปฏิบัติธรรมมันมากขึ้นเรื่อยๆอะเจ้าค่ะอาจารย์มั น, นมันทําให้เราแบบพอพอพองงานมันเยอะแล้วเราก็อยากปฏิบัติมากกว่ามันเกินข้อแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย์มันขัดเครืองนิดนึงอะเจา้าค่ะแต่ไม่ใช่ขัดเครืองเรื่องที่ไม่ดีนะเจา้าค่ะคือขัดเครืองอยากมาทําในเรื่องที่ดีอย่างนี้เจ้าค่ะก็่ถ้าพ่อแม้เขาดูแลตัวเองได้ก็ไปได้ไม่เป็นไรหรือพับพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่า ญาติพีน้อของท่านมีหลายคนดูแลช่วยดูแลกันได้ทั่านก็ไปได้ก็ก็อย่างที่กาบเรียนพระอาจารย์ว่าวางแผนเพราะว่าคือพ่อแม่ตอนนี้เขายังพึ่งพาลูกในการลูกยังจ่ายค่าใช้ใจ่ายค่าโทรศรัพท์ค่าน้ําค่าไฟค่าแบบอย่างอื่นซื้อของอะไรเงี้ยให้เขาอยู่ก็ก็คือคงต้องต้องแผนว่าเก็บเงินสักระยะหนึ่งนิดนึงอ่ะเจา้ า, าค่ะใช่ก็ดูแลเขาต่อไปเพื่ให้เขาเดือดร้อนนึ แล้วเราก็ไปปฏิบัติของเราได้ค่ะก็ก็ตามที่พระอาจารย์บอกว่าเอาให้ดีที่สุดก็คือทุกช่วงเวลาเก็บให้หมดทุกเม็ดใช่ไหมเจ้<ม>าค่ะพ ร, ระอาจารย์เมอปีก็ทำ<ล>ได้เมื่อเวลาก็ปฏิบัติไปเลยค่ะแล้วก็ปีพิเวกได้ก็ก็ค่อยไปเป็นครั้งคราวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันเริ่มแบบเหมือนมันงวดเหมือนที่กล่าบเดียนพระอาจารย์เจ้าค่ะว่ามันอยากปฏิบัติค่อนข้างแบบเข้มข้นในในแบบ การปฏิบัติไปพอมันเข้าถึงว่ามันจะมีจัทนทามรีย่ยะมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะค่ะก็ก็ก็จะได้เอาไว้เป็นบรรทัดฐานเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะตอนนี้ถ้าเขายังพึ่งเราอยู่ลูกก็จะพยายามทาใจให้เป็นกลางเรื่องงานกับเรื่องการปฏิบัติให้มากที่สุดเจ้าค่ะแล้วก็เก็บทุกเม็ดเวลาปฏิบัติก็ว่างเมื่อไหร่ก็จะทําไปตลอด่ะเจ้าค่ะพราเท่าที่เราทําได้ไปก่อนก็ค่ะแล้วขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอาจารย์ จันทการนะจันทการครัอาจารย์ได้ยินไหคะได้ยินชัดเจนค่ะกับเรียนถามอีกสักข้อหนึ่งนะคะพระอาจารย์เออช่วงที่ทําสมาธิอะค่ะมันมีความรู้สึกว่าลมหายใจอะคะ่ะมันมีการกักอยู่ในร่างกายมากกว่าปกติอะคะ่ะพระอาจารย์อันนี้มันไม่ไปสนใจแล้วมือนแบบธรรมดาเราไม่ไปสนใจมันตอนนี้เราไม่ไปสนใจมันไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย พมันจะพอมันจะรู้สึกว่ามันมีนั่นมีนี้ก็ไม่ทำไปสนใจอ๋อค่ะก็คือให้ให้เราเราก็ทํานําก็ภาวนาไปดูลมก็ดูลมไปดวูดโชว์ไปไม่นําไปกังวลกับความรู้สึกเหล่านี้เพราะว่ามีพี่ๆเขาบอกว่าเอเวลาทำปฏิบัติเนี้ยค่ะให้สังเกตด้วยว่ามันลมมันสั้นหรือลมมันยาวเนยค่ะก็ดูก็ก็ดูตอนที่ปานทำหลวงเราก็จะรู้เอง อ่คะถ้ามันยาวมันก็รู้ามันสั้นมันก็รู้ก็รู้เฉยๆยังไไม่ต้องไปบังคับให้มันสั้นหรือไม่ให้มันยาวอขาไม่ได้บังคับค่ะแต่รู้สึกว่าเหมือนเหมือนลมมันเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้ออกมามันก็หยู่เปพักใหญ่แล้วก็ค่อยออกมาอยู่พักนึงแล้วก็ออกค่อยออกมาได้บานที่มันออกมาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวก็แล้วไม่รู้มันละเอียดบางทีก็จับมันไม่ได้กบนีไหนก็ไม่เป็นไรจํามันไปเรื่อยๆก็แล้วกันดูกันไปเรื่อยๆก็แล้วกั ขอบคุณค่ะพระอานารยคำถามขอึกษาด้วยจ้ะด้ค่ะอ่าคุณชนะนด้นไหม เ, เชิญใหม่ไหมค่ะอ่าถามได้เลยเออค่ะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่หนูเอ่อนอนสมาธิอะค่ะแล้วเอ่อก็ รู้สึกว่าเหมือนพอจิตมันนิ่งแล้วมันเหมือนกําลังโดนดูดลงข้างล่างอะคะ่ะดูดลงข้างล่างและทีนี้ตอนนั้นก็เลยคือมันครั้งแรกอะคะ่ะก็เลยกําหนดกําหนดว่าไม่คือฝืนไม่ให้ลงไปข้างล่างอะคะ่ะพระอาจารย์แล้วฝล่อยมันลงไปอย่าไปฝื น, น, ฝนดูเฉยเฉยนะคะแล้วตอ น, อนที่เหมือนค่ะท่านแล้วตอนที่มันเหมือนหลุดออกมาแล้วมัน ขึ้นไปกระแทกบนเพดานลอยขึ้นไปกระแทกบนเพดานแล้วก็เด้งขึ้นเด้งลงอย่างเงี้ยเร า, า, าไม่ไมไดูเไม่สนใจมันให้ดูที่ปลายจมูกไปอย่างเดียวตอนน้า<ม>จะเป็นอา ก, การปรุงแต่งของจิตขึ้นมาเองก็ได้นะคะแล้ว<ม> เ, เสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนเหมือนตัวเองหลุดออกไปจากล่างแล้วก็พยายามที่จะกลับแล้วมันกลับไม่ได้อ่ะคะ่ะแล้วมันอยู่บนลมไปอยู่บนลงไ ป, งไปแสดงว่าตอนนั้นคือ คือหนูนอนตอนนั้นน้องไม่ได้ดูแลผของจะหลับไปแล้วคือจะฝันแต่มันเหมือนจริงมากเลยค่ะใช่เหมือนจริงแต่มันไม่มันไม่จริงมันเป็นความฝันนะคะถ้ามีสติมันก็จะมีแค่ลมหายใจเข้าไม่มีอาการอย่างอื่อาการอย่างอื่นนี่มันเกิดจากความฝันความเคลื่อนปูแต่งของจิตของเราเองถ้าเราไม่มีสติมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้ถ้ามีสติมันก็จะมีแต่ลมที่เชืเอมเดียวค่ะ แสดงว่าตอนตอนพอถึงแม้ว่ารู้ว่าตัวเองไม่ได้อยู่กับร่างแล้วอยากกลับแต่กลับไม่ได้ตอนนั้นก็ไม่มีสติถูกัหมคะมีสติมอก็นอนหลับฝันไปเดี๋ยวมันก็กลับไมพอมาตือนก็กลับเองไม่นองกลัวอืมค่ะแล้วหนูก็เลยเจอเจอคนเจอคนที่เขายกมือไหว้แล้วหนูก็ แผ่บุญให้เขาพอตอนแผ่บุญเนี่ยคะ่ะมันถึงตื่นจริงๆมันถึงลุกลุ ข, ขึ้นมาจริงๆ <us> ตอนแรกตอนแรกลุ ข, ขึ้นมาแล้วนะคะ <us> ลุ ข, ขึ้นมาแล้วนึกว่าตัวเองอะลุกแล้วแต่มันก็ยังไม่ใช่ตัวเราลุกอะคะ่ะพระอาจารย์แล้วเราก็เดินออกไปหน้าประตูห้องพอเดินหน้าประตูห้องเนี่ยก็เจอคนยกมือไหว้เราก็เลยแผ่บุญให้เขาว่ารู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ไม่ใช่คนอะไรเนี้ยพอตอนที่บริกรรมแผ่บุญน่ะก็เลยรู้สึกเข้ามาถึงตัวเองจริงๆตอนนั้นนะคะ ก็เลยแล้วเป็นความฝันแบบแรงว่าฝันนั่งนั่งฝันไม่ได้นั่งสมาธิได้ค่ะได้พยายามฝึกสติให้มากอย่าอย่าทิ้งนมนมอย่าใหากความรับรล้ของเราถ้ามีนมนั่นจะอาการอย่างอื่นมันจะไม่เกิดค่ะสจายนะสาธุค่ะกราบขอบพระคุณค่ะใครอยากจะถามอีกไหม คุณล้าจากเฟซบุ๊กมีห้าคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะคำถามแรกจากคุณประทุมการนั่งสมาธินั่งแบบขัดสมาธิชั้นเดียวได้ไหมคะได้นั่งชั้นเดียวสองชั้นก็แล้วแต่ความถนัดชอบแบบไหนก็นั่งแบบนั้นได้คำถามต่อไปจากคุณมิกกี้พระอาจารย์คะ เราจะมีวิธีไหนบ้างคะเพื่อดึงคนในครอบครัวเช่นคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากหันมาปฏิบัตินั่งสมาธิเพราะในครอบครัวมีมิกกี้คนเดียวที่ปฏิบัติทำนั่งสมาธิอยู่คนเดียวในครอบครัวคะ่ะเราก็ทำตัวเราเป็นตัวอย่างไปถ้าเขามาก็ดีเขาไม่มาก็ช่วยไม่ได้คาถามต่อไปจากคุณประทุมเรียนถามคะ่ะ เวลานั่งรู้สึกว่าตัวโยกโครงเป็นเพราะอะไรคะเพราะไม่มีสตินั่นเองย่านั่งเงนั่งแล้วต้องให้มีสตินนตื่น ต, ตัวตลอดเวลาให้อยู่กับพุโทโธไปแร้วอยู่กับลมหายใจไปพอทิ้งลมทิ้งพุโทโธบ้างนะครับมันก็โยกไปโยกมาคำถามสุดท้ายจากคุณคำพาพันธ์กราบนมัส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์ยมรักษาศีลห้าได้ความเคยชิน และจะรู้ตัวในการกระทํานั้นๆแต่โยไม่ได้อาราธนาศีลจําเป็นไหมคะที่ต้องรับอาราธนาศีลก่อนกไม่ไม่จําเป็นแล้วเราตั้งตั้งสติตั้งจิตว่ า, าจะรักษาสีลก็รักษาไปเลยอยู่ที่เจตนาตั้งเจตนาลงไะไก็แล้วแต่จะรักษาศีหน้าก็รักษาไปเลยแล้วตั้งหนึ่งเดียวก็พอแล้วแล้วการรักษาเป็นตลอดชีวิตเลยไม่ต้องมาตั้งทุกวัน เป้าหมายก็คือให้รารักษาได้ตลอดเวลาเป็ น, นีิจสินวันนี้ใช่ไหมคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะเข okay. าคิดว่าพอสมควรแก่เวลานะสำหรับคืนนี้เพราะว่าก็เกือบจะห้าทุ่มทุกท่านก็ได้ถามคำถามตามที่ต้องก็เอามีบวกหมายจะเข้ามาสวัสดีเหรอบุกหมายทูบะเ เปิดไม่หน่อยใช่านรัศกรค่ะอ่ากำลังจะไปพอดีเลยนี่ไเข้ามาสวนมน์แล้วก็ฟังคิวแป๊บนึงแล้วค่ะโอเคมาตัางท้ายกค่ะถ้าสุดหน้าอ่มีค่ะอ่ามีรับนักครับโอเคพยายามดูแลรักษาตัวเองให้ปลอดภัยนะใส่หน้ากากนะ อยู่บ้านตลอดเลยค่ะไม่ไปไหนเลยค่ะรักษาตัวให้ดีนะน้องตาก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะได้จ้ะถึงค่ะขอบคุณค่ะดีใจที่ได้พบกันทุกคนนะค่ะครับวันนี้ก็หมดเวลาพนนีน้องตาก็ขอลาไปเลยนะตาประาทลากับเร็วน้ำมานสการครับขอให้ท่านน้ำลาย ให้นามาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ